ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยได้โชคช่วยให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์นับไม่ไหวให้โชคดีมีโชคไร้โรคภัยมาวัดปยุรวงสาวาทเมื่อไรขอพระทานกาบเรียนพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพรมมาันฑิต เจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสกรรมการมหาเทสมาคมคุณถาปณะศรีวัฒนพักดีเศรษฐีผู้ใจบุญในทุนผู้ใจดีมหาอุบาสกผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านผู้มีเกียรติซึ่งเดินทางมาร่วมงานสมโภช 190ปีวัดปยุรวงสาวาททุกทา่าน <c oughs> ก่อนอื่นขอให้เราเนี่ยจงมามีความรู้สึกเหมือนกันประการหนึ่งคือรู้สึกดีใจ <c oughs> ว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นได้ยั่งยืนยาวนาน <c oughs> มาถึงทุกวันนี้นับว่าเป็นบุคคลที่โชคดีโดยทั่วหน้า <c oughs> ได้มีโอกาสมาร่วม ง, งาน <c oughs> ชนิดวรวิหาร ซึ่งวัดนี้ได้ยืนอยู่คู่กับชุมชนมายาวนานถึง190ปีท่านทั้งหลายท่านเคยอ่านความรู้สึกบ้างหรือไม่ว่าเวลาท่านสัญจรไปมาบนสะพานพุทธยอดฟ้าพระพุทธยอดฟ้าหรือท่านเดินทางบริเวณถิน่นมาถิ่นนี้เรียกว่ามาแถวชุมชนกระดีจีนนี้ ท่านจะมีความรู้สึกพิเศษไม่เหมือนกับเราย่างเท้าก้าวก็ไปสู่ชมชุนชุมชนอื่นๆ อ, อีกหลายชุมชนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกพิเศษแต่ถ้าหากว่าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ความรู้สึกพิเศษเป็นอย่างไรถ้าหากเราสังเกตภาพถ่ายแนวสูงเรียภาพโดนเนี่ย ชุมชนกระดีจีนแห่งนี้จะมีเอกลักษณ์พิเศษมองมาทางด้านนี้ใกล้ๆเชิงสะพานพุทธจะเห็นช่อฟ้าใบรากาวสวยงามมากและถ้าท่านทอดสายตาไปใกล้ๆแกแม่น้ำเจ้าพยาจะเห็นไม้กางเขนอยู่บนยอดโบทและถ้ามองลึกไปเนี่ยจะเห็นกดีขาวหรือ ก, กุดีขาว ซึ่งเป็นศาสนสถานของพี่น้องชาวมุสลิมก็คือชุมชนกอดีจีนของเราเนี่ยจะมีทั้งพุทธคริสต์และอิสลามแล้วอยู่ใกล้ชิดติดกันมากนอกจากจะศาสนสถานใกล้ชิดติดกันแล้วจิตใจของแต่และศาสนิกยังใกล้ชิดติดกันอีกด้วย ความใกล้ชิดนี้ยั่งยืนยาวนานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเมื่อก่อนเคยเป็นอย่างไรปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นทางวัดปยุรงสาวาสให้ความสําคัญต่อมิตรใกล้เครียงและเสเบียงหลังบ้านทางวัดสังตะคุดก็ให้ความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกัน ว, วัดประยูรวงนี้คืออะไรเพื่อนบ้านใกล้เคียงเปื่อเหมือนสเสบียงข้างบ้านทางกระดีข่าวก็เหมือนกันมีความรู้สึกสัมพันธ์ต่อเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบางช่วงอาจจะจางห่างเหินไปบ้างด้วยเหตุผลและด้วยปัจจัยบางอย่างแต่เป็นที่น่าดีใจว่าปัจจุบันนี้ ช่องว่างหรือความห่างเหินนั้นแทบจะไม่มีทั้งนี้ก็เพราะอาศัยเนี่ยวิสัยทัศน์ของพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพรมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประโยงสาวาดตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดอาตมาซึ่งอยู่ใกล้ก็สังเกตความคิดของท่านว่าท่านเริ่มให้ความสมใจกับชุมชนเป็นพิเศษ คือภารกิจของท่านนอกจากจะศึกษาเร้าเรียนจนกระทั่งท่านมีความรู้เต็มที่ดังที่เราทราบกันแล้วท่านภาคเพียนพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาภายในก็คือวัดประยูรองสาวาสเนี่ยเจดียข้างหน้าเรานี้เป็นประจักษ์พยานที่สําคัญเมื่อก่อนพระเจดียองค์นี้ได้ผ่านวิกฤตแต่ระยกแต่ละสมัยมาโดยตลอดเช่นบางช่วงไม่มียอดเจดีย เพราะถูกฟ้าผ่ากลายเป็นเจดีย์ยอดด้วนมีอดีตท่านเจ้าวาดคือพระธรรมจัยโรกาจาร์ท่านอุสาหะวิริยะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนซ่อมใหญ่ครั้งช่วยกันต่อยอดเจดีย์ครั้งนั้นถือว่าเป็นการซ่อมใหญ่ครั้งหนึ่งมาในยุคที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจุณพระพุทธอรยานก็มีการซ่อมเหมือนกัน แต่ว่าเจดีย์ก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะพระเจดีย์จะสมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วยลักษณะสามประการประการที่หนึ่งต้องมีความสูงประการที่สองต้องมีความสวยและประการที่สามต้องเป็นเจดีย์ที่มีฐานกว้างใหญ่ไพศาลพร้อมที่จะรอมรักน้ำหนักความสวยและความสูงนั้นได้ พระเจดีย์องค์นี้มีความสมบูรณ์ในยุค ข, ของพระเด็พระคุณศาสตราจารย์ดรพระผรมบัณฑิตหลักคิดของท่านคือพัฒนารอบด้านพัฒนาพระเจดีย์พัฒนาพระอุโบสถพัฒนาพระวิหารและศาลากา ร, ปรเปลี่ยนพัฒนาภายในวัดก็กหนักหนาสากันท่านสาธุชนทั้งหลายแต่พระเด็พระคุณนั้นอุตสาหะวิยะยอดเยี่ยมเหมือนกับ เวลาท่านมองพระบรมธาตุเจดีย์ทีไรก็สอนใจท่านว่าต้องไม่ท้อต้องไม่ถอยเจดีย์เคยยอดด้วน ย, ยังต่อให้มียอดได้อะไรที่มันบอกพล่องไปทําไมจะทําไม่ได้พัฒนายัางไม่พ อ, อยังเอื้ออาทรต่อชุมชนความเอื่ออาทรต่อชุมชนเนี่ยอาตมาสงสัยมานานนะว่าเอ๊ะมีอะไรเป็นแรงบรรดานใจท่าน ปรเดี๋ยวจะขอเรียนถามท่านในตอนท้า ย, ายเนื่องจากว่าวันนี้เรามีการเ ส, เสวนาร่วมกันหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําทางาศาสนาซึ่งอยู่ในชุมชนเดียวกันซึ่งทุกท่านได้กรุณาให้เกียรติให้ความสําคัญต่อ ง, งานวัดปโยโรงสาวาททุกปีเลยทีเดียวคือผู้ร่วมสารเสวนานอกจากจะมีพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพมบัณฑิต ก, กรรมการมหาเทสมะคมเจ้าวาดวัดปโยโรงสาวาท ซึ่งวันนี้ท่านได้ความกรุณาเป็นอย่างยิ่งภารกิจของท่านน่ามากมายแต่ว่ามีการมีงานเสวนาทีไรเนี่ยท่านจะถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะการสารเสวนานั้นคือการบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เราจะได้ฟังกันบางเรื่องขอยอมรับว่าอาตมาอย่างไม่ละเอียดแต่พระเดชพระคุณนั้นท่านจะจับรายละเอียดได้ทั้งหมด ถ้าจูบมาเหมือนกับการมองต้นไม้พระเดวคุณสามารถจะมองลึกลงไปที่รากของต้นไม้ทะลุไปจนถึงยอดของต้นไม้เห็นรายละเอียดทั้งหมดซึ่งพระเดียวกุณท่านจะได้กรุณาเล่าให้เราทั้งหลายได้ฟังกันนอกจากพระเดะคุณแล้วก็ยังมีท่านมงชโยอดออรวิศนุทัญญาอนันต์เนี่ยเห็นแล้วก็ชื่นใจทุกทีนะฮะ เพราะว่าท่านเต็มอกเต็มใจที่จะมาร่วมสารเสวนาทุกครั้งและทุกครั้งที่ท่านมานั้นมีเรื่องแปลกๆมาเรื่อย <c oughs> มันนี้ไม่ไม่ทราบว่าท่านจะพาเราทั้งหลายนีไปถึงไหนกันนะครัครั้งก่อนนู้นพาไปอียิปต์นะฮะพาไปที่ไหนตอไหนแต่ว่าปีนี้ไม่รู้จะพาไปไหนเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันนะท่านเป็นรองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคทโทอลิกแห่งประเทศไทย ท่านถัดไปนู้นนะก็คือญาติโยมแทถววัดเรานี่แหละ ว, วันนี้ท่านมาเต็มแบบนะฮะถ้าหากว่าไม่เต็มแบบเราก็จะจําหน้าท่านได้ทันทีก็คือท่านอิหมามนาวินนะฮะศาสนกุลมัสยิดกูรตินอิสลามแล้วก็ท่านสุดท้ายนี่ก็ยิ่งคุ้นหน้ามากที่สุดนะแทบจะไม่ต้องแนะนําชื่อก็รู้จักกันดีคือคุณธีรนันช่วงพิชิตประธานมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีนครองสาม อาตมาจะาตั้หนดอย่างนี้ก็คือว่าจะให้โอกาสท่านมงซิยอรดอเตอร์วิษนุ ก, กันก่อนเพราะว่าอยู่ใกล้วัดรปยุรงร์ที่สุดคืออยากจ ะ, จะเจริญพรเรียนถามท่านว่าลักษณะชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันมีความสัมพันธ์กันกมเกลียวเหนียวแน่นรักกัน เรียกกันว่าร่วมไม้ร่วมมือกันเหมือนกับชุมชนกดีจีนเช่นนี้ท่านเคยเห็นตัวอย่างที่อื่นบ้างไหมและที่เห็นแล้วนี่ที่นั่นกับที่นี่มีความแตกต่างกันอย่างไรเจ้าพนครครับผมขอกล่าบขอบพระคุณเจ้าพระเดวพระคุณท่านนะครับพระพมบัณฑิตแล้วก็ท่านเจ้าพระคุณบุญมาแล้วก็ผู้ร่วมเสวนานะครับอิห ม, ม่าแล้วก็ท่านประธานแขกผู้มีเกียรติพระเถรานุเถระนะครับ คือผมขอเริ่มแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเป็นที่ให้เกียรติผมเป็นคนแรกในการเสวนาคุยกับพวกเราในเย็นวันนี้ซึ่งประการแรกก็คือขอแสดง ค, ความชื่นชมยิน ด, ดีก่อนกับทุกท่านโดยเฉพาะท่านพระเดชพระคุณท่านในการเฉลิมฉลองนานมากในการที่ฉลองวัดประยูรวงศารว่แห่งนี้ การเดินทางร่วมกันเนี่ยกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็เป็นสัยักษ์อย่างหนึ่งว่าสังคมที่นี่เนี่ยหุวัฒนธรรมก็ดีหรือว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานที่อะไรที่น่าทึ่งทีนี้ผมเลยอยากจะเริ่มต้นแบบนี้ว่าในปีเนีพ้ยเนี่ยพอผมเห็นโปรแกรมอะไรบางอย่างในยุโรปผมก็ แปลกใจนิดหนึ่งก็คือที่ประเทศยุโรปเนี่ยแล้วก็รวมทั้งอิตาลีแล้วก็วัติกันเนี่ย<อ>เขาจะจัดเดือนพฤษภาคมที่ถึงเนี่ยเขาจะจัดการเสวนาระดับโลกเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งผมเองฟังแล้วมันแปลกแปลเลยอยากให้เขามาเห็นชุมชนที่นี่ในวันนี้เขาอาจจะ เลิกล้มความตั้งใจที่จะจัดงานนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคืองนี้ครับสถานการณ์ในสภาวะจิตของคนปัจจุบันเนี่ยก็เรื่องหนึ่งก็คือความกลัวไอ้ความกลัวเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเราอาจจะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโรคชนิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโรคกลัว อันนี้อันตรายซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะใช้ลงท้ายดูว่าฟเบียถ้าคุณมีอะไรก็ตามที่มันเป็นฟเบียเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นอันตรายนะครับต้องไปหาจิตแพทย์แต่ว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนดิคือเช่นกลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวความมืดกลัวสัตว์ต่างๆ คนเราเนี่ยผมคิดว่าในชีวิตเนี่ยมันต้องมีความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่แต่ว่าจะมากจะน้อยบางคนเนี่ยมันเป็นโฟดบีรกลัวกลัวผู้หญิงสวยมันเป็นโฟดเบียอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเจอผู้หญิงสวยๆนี่เกิดอาการเหงื่อออกทําอะไรไม่ถูกพูดไม่เป็นบางคนกลัวสังคม การที่จะขึ้นมาพูดเนี่ยบางคนนี่อยู่กันปกติเนี่ยคุยกันพอดีๆแต่พอจะเจองานสังคมเนี่ยมางานวัดอย่างเงี้ยรับรองพูดไม่ได้เลยคือจะเป็นใบ้เลยหรือพูดติดอ่างอันนี้ก็เป็นนะครับนั้นเขาเรียกว่าโฟเบียผมทราบมาว่าในปีเนี้ยสถิติเนี่ยเอาแค่ประเทศเดียวนะเขาบอกที่อเมริกาเนี่ยมีคนเป็นโรคกลัวประเภทต่างๆโฟเบียเนี่ยประมาณคนหนุ่มสาวอายุ 20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณ19ล้านคนเป็น19ล้านคนแล้วก็อชนิดของที่กลัวเนี่ยโรคกลัวเนี่ยมันมีประมาณ500กว่าชนิดฉะนั้นผมก็ไม่อยากยกตัวอย่างกันแล้วกันว่าเรื่องนี้เป็นอะไรทีนี้ที่มาการันเสวนาอันหนึ่งงานระดับ international นะครับงานสากลเนี่ยเขาเรียกว่า xenophobia ผมก็ไม่เข้าใจเขาว่าเจโนโฟเบียเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ไปค้นควา้าเขาจะจัดเสวนาเรื่องว่าคนที่กลัวคนแปลกหน้าทีนี้อาการแบบนี้มันเป็นอาการทางทางโรคเหล่านี้แหละมันกลายเป็นโรคร้ายเช่นว่าคนนี้ถือวัฒนธรรมต่างผมระแวงแล้วคนนี้ถือศาสนาต่างนี่ผมเริ่มระแวงแล้ว เขาเรียกว่าเซโนโฟเบียก็คือใครต่างหน้าคุณมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะต้องกำจัดคุณออกไปผมคิดว่าอันเนี้ยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจริงเหรอผมว่าเป็นความจริงฉะนั้นคนที่คิดจะจัดงานนี้ขึ้นมาเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับผมว่าน่าจะมาเห็นบรรยากาศวัดนี้นะครับวัดประยูนวัดกรยาหวัดสังตะครูส แล้วก็วัดจากของสุเหลากูดีขาวเนี่ยจะรู้เลยว่าเราไม่เป็นโรคนี้เด็ดขาดเพราะว่าในระหว่างเราเนี่ยที่หลากหลายคืออย่างน้อยตอนนี้3ามศาสนาใหญ่สีความเชื่อเนี่ยระหว่างเราเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจก็คือเราสามารถที่จะอธิบายความแตกต่างความเชื่อการเป็นอยู่ ซึ่งกันและกันได้อันนี้ก็คือจุดใหญ่ที่ผมอยากจะตอบคำถามท่านฉะนั้นก็คือผมจะไม่เห็นอีกเลยที่ในประเทศไหนที่อยู่ในโลกในโลกนี้เนี่ยว่าน่าจะใช้สถานที่นี้เนี่ยเป็นรูปแบบแล้วก็ที่เป็นรูปมาธรรมจริงจังนะครับในการจเจริญชีวิตอยู่ด้วยกันทีนี้ผมเองก็จะพูดถึงในส่วนของผมกันแล้วกันนะครับส่วนที่ ฐานะที่ผมเป็นชาวคริสตเป็นบาดหลวงเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปประเทศไหนเราก็ต้องพูดเรื่องนี้พูดถึงความภูมิใจในบ้านเราคือคงจะหาที่ไหนเทียบไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่าอันนี้ต้องขออนุ ญ, ญาตพูดนิดหนึ่งครับว่าผมได้เดินทางไปทํางานของสถานทูตวัติกรรเนี่ย27ปีนะครับป ร, ประเทศนู่นประเทศนี้ประเทศนี้ก็ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มาเชียร์บ้านเราด้วยกันเอง แต่ว่าจะหาประเทศที่มีเสรีภาพในการถือศาสนาแล้วก็การอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับแต่ว่าที่นี่จะเป็นเหมือนกับแบบอย่างที่เราจะต้องให้ความแบบว่าเห็นเบลรูปมาธรรมซึ่งเราจะไม่ได้เป็นโรคเซโนโฟเบียหรือการกลัวเราจะเดินไปนู่นไปนี่ไปเข้ามาอย่างอย่างรู้สึกมีความปลอดภัยนะครับทีนี้ในส่วนชาวคริสตเนี่ย วัดซังตาครูสเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนก็แล้วกันในฐานะที่วัดบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยแม้วัดซังตาครูสเนี่ยจะเริ่มต้มชุมชนคิตธชนเนี่ยถ้าปีนี้ก็ต้องถึง249คือ249ปีแต่วัดหลังปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นวัดหลังที่อายุ101ปีนะครับปีนี้102ปี ผมก็ไม่จำเป็นจะต้องเล่าถึงประวัติความเป็นมาอะไรมากมายแต่ว่าจะให้ความเข้าใจนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าสาเหตุอะไรที่เราอยู่ด้วยกันได้แบบสันติเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเป็นเพราะว่าเรามีหลักธรรมวิถีธรรมเนี่ยการจเจริญชีวิตซึ่งสามารถอธิบายได้และเข้าใจด้วยกันผมยกตัวอย่างเลยนะครับทำไม ชื่อซังตาครุสไม่ใช่ซังตาครอสนะครับซังตาครอสนี่ผ่านไปแล้วตอนคริสต์มาสซังตาแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ครุสเนี่ยภาษาโปรตุเกสเพราะว่าพวกชาวโปรตุเกสเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็แปลว่ากังเขนซึ่งก็เมื่อกีนี้พระเดชพระคุณท่านก็ได้อธิบายแล้วว่าถ้าล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพยาก็มองเห็นวัดนี้วัดกรยาวัดประยู์เห็น นี่พระเจดีอันเป็นสัญลักษณ์สง่างามเห็นกังเขนเห็นสุเหล่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวต่างชาติผมล่องเรือบ่อยกับชาวต่างชาติก็จะมองเห็นจะเห็นสิ่งเดียวกันทีนี้เนี่ยทำไมชื่อสังตัครุสก็เพราะว่าวันที่สมพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมอบของขวัญให้กับบาดหลวงชาวคริสตเนี่ย วันนั้นเป็นวันที่14กันยายนปีหนึ่พัคศนะครับหนึ่เจ็ดซึ่งศาสนาคริสต์ทุกวันที่14กันยายนเนี่ยเป็นวันฉลองไม้กางเขนแค่นั้นเองก็เลยตั้งชื่อกางเขนก็แล้วกันฉะนั้นอาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้แต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยที่พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าตักสินพระบาทพระเจ้าตักสินเนี่ย มอบ20เหรียญกษะสาบกับเรือหนึ่งลำเนี่ยเป็นวันเฉลิมฉลองกังเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวคริสตไม่ว่านิกายอะไรพี่น้องต่างศาสนาเวลาเห็นกังเขนออกพวกคริสตหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งในหนังสือโปรเปริสซัดเขาเรียกชาวคริสว่าอะไรครับท่านพวกเขารีดเขารีดอ๋อตอนหลังมาเข้าใจว่าคําว่ารีดเนี่ยหรือว่าภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าริด RITE หรือว่ารイトแต่ว่าพิธีกรรมพิธีรีตองคือพวกชาวคริสเนี่ย ม, ม, มีพิธีเยอ ะ, อะเขาก็เลยอ๋อมันต้องไปเข้ารีดไงหลายคนก็เลยคิดว่าใช้เตารีดมารีดมันเ่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับรีดมาจากเป็นภาษาเดิมแปลว่าอย่างดีทีนี้ทีนี้กังเขนก็เออเป็นลักษณะของชาวคริสของทุกนิกายแต่ว่าถ้าเด็กๆ เ, เ, เนี่ยเดินไป ไปเจอเห็นรูปกางเขนวัดซัตาครุสเนี่ยบางคนตกใจเลยนะครับโอ้โหพระเยซูนี่อยู่บนกางเขนตกใจเองก็เออจริงๆพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยผมเองก็เออในฐานะที่เป็นชาวคริสเนี่ยนะเออเอเราก็มีกางเขนเนี่ยแล้วตกลงกางเขนนี่คืออะไรถ้าให้ผมอธิบายไปศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยนะอธิบายไม่จบ แต่พวกท่านทั้งหลายทราบไหมถ้าเรารู้วิถีทำรรเนี่ยแค่นั้นเองคนที่อธิบายกังเขนชัดที่สุดเนี่ยคือใครทราบไหมครับพระพุทธธาตุปิกขุท่านเคยเขียนเคยถามอา้าวบอกมาที่เนี่ยวัดจังตะครุสเนี่ยกังเขนแปลว่าอะไรคนคริสตยังตอบไม่ได้เลยก็เลยบอกว่ากังเขน ประกอบด้วยไม้สองอันอันหนึ่งก็คือตัวตั้งและนี้ท่านก็ตีความว่าไอ้ควาว่าตัวตั้งเนี่ยครับถ้าเอาไม้อันเดียวมาตั้งเนี่ยอันนี้คือพวกฝรั่งเขาก็ตีมาจากฝรั่งมาจากโปรตุเกสมาจากอเมริกามาจากอะไรอะไรฉะนั้นถ้าตั้งอันเดียวเนี่ยก็คือตัวไอไอก็คือตัวฉันตัวฉันก็คืออั ด, อดตาใช่มฉะนั้น คนเราปัญหาที่เกิดทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เป็นมิตรที่ไม่ที่มันเป็นเซโนโฟเบียเป็นโรคร้ายที่กลัวกันเนี่ยเพราะมันเอาตัวฉันเป็นตัวตั้งก็เลยฉันต้องการนู่นฉันต้องการนี่ฉันจะเอานี่ฉันจะเอานั่นทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายว่าด้วยเหตุนี้พระเยซูก็เลยแบกไม้มาอีกหนึ่งอันต้องตัดตัวฉันออกไปถ้าเราลืมตัวเราเองเราก็ต้องคิดถึงเพื่อนบ้าน ก็ไม่มีอะไรด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกว่าวัดสั่งต่ครูสก็คือความหมายของการต้องมอบตัวเราเองกับผู้อื่นฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเป็นวิถีทางวิถีทำในกูดีจีนเนี่ยจึงสร้างบรรยากาศในการที่เราอยู่ด้วยกันด้เพราะเราต้องลืมตัวตนเราเองเพื่อจะไปออกสู่ไปสู่ผู้อื่นอันนี้เรื่องที่1 น, นะครับเรื่องการเขียนเรื่องที่2เนี่ยไอ้เกิดเหตุการณ์สงครามเนี่ย ท่านไปที่เมืองอะไรผมจําไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวดูสิฮะที่เยอรมนีเดี๋ยวท่านพาผมเที่ยวนะฮะเดี๋ยวมันก็มาเองะครับที่เกิดสงครามโลกเนี่ยทําลายไปแล้วนี่เกิดทําลายไปเยอะที่เยอรมันเนี่ยนะครับก็ถูกทําลายไปแล้วนี่เกิดกังเขตนี่พังทลายหมดเลยนะครับพังทลายไหมดก็มีวัดหนึ่งใกล้แม่น้ําก็เลยซ่อมไม่ไหวแล้ว กังเขนเป็นรูปพระเยซูองค์บลเล่เลยเชื่อไหมครับท่านแขนขาขาดหมดเลยรูปพระเยซูแล้วมาตอนที่เขาบูรณะเนี่ยเขาก็เลยบอกอย่างนี้ครับคนที่เป็นบิชอปอมุขนายกน่ไม่ต้องซ่อมเพราะซ่อมไม่ได้เอารูปพระเยซูที่แขนขาดขาขาดนะแล้วก็หัวหลุดไป หเหอขาดเหลือแต่แขนด้วนขาขาด้วนเนี่ยขึ้นไปแปะเอาไว้บนกำแพงแค่นั้นแล้วไอ้สิ่งที่น่าทึ่งก็คืออย่างนี้ครับข้างล่างเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าคุณธรรมาศาสนธรรมเนี่ยพระเยเขาเขียนคําพระเยซูอย่างนี้เราไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหูไม่มีตาจึงต้องขอยืมพวกท่าน แขนของท่านขาของท่านตาของท่านเพื่อจะได้สารต่อการสร้างสันติแล้วอยู่ด้วยกันนั้นผมรู้สึกดีใจมากเลยที่มาวันนี้คือการเสวนาเนี่ยมันต้องแบบลักษณะหน้าต่อหน้าเฟซสูเฟสก็เลยเนี่ยเลยมาทราบวันนี้เจอคนหนุ่มอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกอะไรนะผู้อุปถัมภ์ผู้สนับสนุนจะถืออะไรยังไงเนี่ยผมเห็นคนหนุ่มที่ไร อันนี้แหละถ้าเป็นทัศนะผมนะก็เป็นแบบเดียวกับคำที่ผมบอกที่พระเยซูพระเยซูคริสต์ของผมบอกว่าคนยุคใหม่เนี่ยเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่จะมีพลังในการสานต่อแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมในสิ่งที่นั้นๆอันเนี้ยผมอาจจะพูดเกินไปแล้วป่ะไม่รู้นะฮะพอดีพอดีนะครับทีนี้ขอขอขอสรุปเลยนะผมขออนุ ญ, ญาตนะครับ เพิ่งจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยผมแนะนำให้ไปซื้ออ่านนะครับเป็นนักประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคนเขียนเป็นชาวฝรั่งเศสเขียนในปี 2,401 ชื่อหนังสือเป็นชื่อคนเขียนเลยครับบันทึกประวัติศาสตร์ของฮองรีมูโอเขียนอย่างเงี้ยเป็นชาวฝรั่งเศสอายุน้อย ตายอายุ3 6แต่เดินทานมาถึงตรงนี้ครับปากน้ำเจ้าพญาเนี่ยแล้วมาเนี่ยย่านเนี้ยรู้จักราชวังราชวงศ์รู้จักอะไรหมดท่านเขียนความรู้สึกของท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมทึ่งอ่ะฝรั่งเขียนเขียนตรงเขียนบอกการจะรู้จักชาวสยามาแรกนะแต่มาพิจารณาแล้วจริงฮะคนสยามมาเลอดูง่าย เฉยชาขี้เกียจมีข้าวถ้วยหนึ่งมีปลาตัวหนึ่งเขาก็ไม่ทําอะไรแล้วฉะนั้นแพ้คนจีนหมดผื้นแผ่นดินแถวนี้คนจีนเข้ามาค้าขายเอาไปหมดแต่เขาก็เขียนมาอีกงานหนึ่งที่ผมทึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจชาวสยามก็คือเขารักหมู่บ้านของเขาอยู่กันเป็นครอบครัว เด็กๆรู้จักเนี่ยในหมู่บ้านอย่างนี้เขาพูดเลยนะครับว่าเขาช่วยกันแม้ว่าคนจะทําผิดทาําพลาดพาลูกพาหลานจุงไปขอโทษบ้านนูน้นบ้านนี้มันเป็นการบันทึกที่เดียวของที่นี่ด้วยเหมือนกันครับพอผมไปอ่านประวัติของที่นี่หมู่บ้านกรดีจีนเขาบอกว่าเด็กลูกหลานนี่เหมือนกับผมดูแลลูกคุณด้วย อันนี้ผมคิดว่ามันใช่พื้นฐานทางศาสนาไหมที่เราอยู่ด้วยกันอันนี้แหละครับผมคิดว่าเป็นกุญแจที่ทำไมเราสามารถที่จะผสมผสานแล้วอยู่กรมการกันเทาธรรมดาธรรมดาจากที่ผมอยากจะเล่านะครับขอบคุณนะครับขออนุโมทนาท่านดรวิศนุธัญญาอนันต์นะฮะท่านสะท้อนภาพของชุมชนกระดีจีนได้ชัดทีเดียวแล้วก็สรุปลงตรงที่ว่าชุมชนแห่งนี้ มีสายใหญ่รักผูกพันไม่ว่าจะเป็นาศนสาสนาไหนก็ตามนะต่างอยู่กันแบบพึ่งพาเพื่ออาทรไม่ระแวงกันไม่กลัวกันเหตุที่ไม่กลัวกันก็เพราะว่าทุกาศาสนานั้นไม่ได้ทาตัวให้เป็นภัยต่อกันมีแต่ว่าจะเสนอสิ่งที่ดีต่อกันใหม่ฟังแล้ว น, น่าโมทนา อัตมาจะขอถวายโอกาสพระเด็พระคุณในช่วงหลังนะฮะหรือเจา้าช่วงนี้เลยเอาช่วงนี้ใช่ไหมจเจ้าช่วงนี้ฉะนั้นบทนี้ก็ท่านทั้งหลายจะได้ฟังถึงแรงบันดาลใจว่าอะไรเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทำให้พระเด็พระคุณได้สนใจงานชุมชนนี้เป็นอย่างมากและเด่นชัดที่สุดถ้าจะว่ากันแล้ววัดประยุรวงเพียงวัดเดียวเท่านั้นในตอนนี้มีงานสมโพธิจรปีก็มีเรื่องสารเสวนา เชิญท่านผู้นำศาสนามาพูดมาคุยกันและทุกครั้งที่พูดคุยกันนั้นญาติโยมที่มาฟังท่านทั้งหลายที่มาฟังเนี่ยได้ข้อคิดได้รับสาระและได้วิถีชีวิตว่าเราจะปรับตัวปรับใจอย่างไรเราจรึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไปเหมือนกับปู่ย่าตายายเขาเราเคยอยู่ร่วมกันมาก็ผมข อ, อ, อการพัฒนาเป็นเชิงถามนิดนึงครับว่ามีอะไรซึ่งบันดาลใจพระเดชพระคุณ ขบคิดงานประเภทนี้เอาจริงเอาจังมาโดยตลอดครับขอพท่านขอโอกาสท่านผู้นำศาสนาบนเวทีท่านพระเทรานุเถระทุกรูปและขอเจริญพรคุณหนุ่มคุณสถาปนาสริวะะัฒนพัฒนาภักดีแนละท่านสาธุชนทุกท่านาที่พูดตรงนี้ก่อนก็เพื่อที่จะให้ต่อจากประเด็นที่น่าสนใจที่ท่าน ดรวิศนุธัญญาอ า, านัน์ได้เริ่มไว้นะฮะเดี๋ยวจะลืมประเด็นเพราะมันเข้าเก่าหัวข้อที่เราตั้งเสวนาบนเวทีนี้ก็คือเรื่องวิถีธรรมวิถีไทยหล่อห ล, อ, ลอมดวงใจย่านกระดีจีนและก็การพูดเรื่องนี้ก็จะตอบคำถามที่ท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานมุนีท่าน ท่านเทพปฏิพัน์กวีท่านได้เริ่มเอาไว้คือทำไมเรามาจัดงานกันอย่างนี้ในการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีคำตอบเรียกว่าการพูดอยู่สอ ง, สองประเด็นถ้าเราเปิดอ่านประวัติพระพุเทธเจ้าเนี่ยในพระไตรปิฎกเขาจะมีสามส่วน ว่าทําไมมีพระพุทธเรื่องอดีตที่ไกลโพ้นบําเพ็ญบา ร, รมีมาแต่ไหนแต่ไร น, นี่คือเหตุที่หนึ่งเหตุที่สองอวิทูเรนิทานเรื่องที่ไม่ไกลนักแต่ก็คือหลายชาติที่ผ่านมาและสันติเกนิทานคือเหตุที่เป็นพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันคือตั้งแต่ประสูติเป็นพระสิทธะบําเพ็ญเพียรมาเขาจะแบ่งเป็นสมส่วน วันนี้ถ้าตอบคำถามถ้าจะคุณสามส่วนเนี่ยพูดคนเดียวก็ไม่จบตั้งแต่ทูเรนิทานไกลโพ้นเนนะแล้วมาที่ไม่ไกลนักแล้วก็มาถึงตอนที่ได้รางวัลยูเนสโกเนี่ยเนี่ยก็คือปัจจุบันที่คุณถาปณะบอกมาจัดงานร่วมกันเนี่ยเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดสองตอนเอาเรื่องอดีตไกลๆ ก, ก่อนและรอบสองถ้ามีพูดคนสุดท้ายเลยปิดท้ายเรื่องปัจจุบันงานนี้นะ เรื่องแรกก่อนนะครับว่าทำไมมีงานอย่างนี้พูดของพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านปาตกถาไว้เรื่องการเมืองไทยสมัยโบราณแล้วท่านสรุปว่าประเทศไทยที่เจริญรุ่งเรือง อยู่มาเป็นอิสระไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศนักล่าอาณานิคมอย่างที่อังกฤษฝรัร่งเศสเนี่ยมาจากเหตุที่คนไทยมีลักษณะนิสัยสประการคนไทยแต่อดีตตั้งแต่สุขโขทยัยอยุทยามากรุงเทพรัตนโกสินทร์เนี่ยมีลักษณะนิสัยสประการกรมพยาดํารงท่านว่าไว้ หนึ่งคนไทยรักอิสระภาพท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า love of independence วงเล็บไปด้วยเรื่องที่สองคนไทยมีอวิหิงสามไม่เบียดเบียนท่านวงเล็บภาษาอังกฤษว่า tolerance พูดต่อก็คือไม่มี xenophobia นั่นคือ tolerance อันเดียวกันถึงต้องพูดต่อกันแล้วเรื่องที่สาม คนไทยประสานประโยชน์ทรงใช้ภานาภาษาอังกฤษว่า assimilation ในสามเรื่องเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจให้สืบสารลักษณะนิสัยของคนไทยเจ0ร้อปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดคนไทยที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านเป็นเป็นบิดาประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะท่านสรุปเอาไว้ข้อที่หนึ่ง คนไทยรักอิสระภาพเราเป็นเมืองขึ้นของพม่าในครั้งที่หนึ่งเนี่ยสมัยบุเรงนองเนี่ยพร้อมๆกับไทยใหญ่ในพม่านะไทยใหญ่ตอนนั้นป็อิสระเหมือนอยุธยาพร้อมๆกับไทยใหญ่พร้อมๆกับเมืองมอญแล้วก็อยุธยาแต่ในสามเมืองเนี่ยมีแต่อยุธยาเท่านั้นที่กลับเป็นอิสระภาพ นอกนั้นเป็นเมืองขึ้นของพม่ามอนไทยใหญ่มาจนบัดนี้แทงว่าไทยมีอะไรพิเศษนี่คื อ, อแล้วก็ในช่วงที่ตกเป็นเมืองขึ้นของรักล่าอารานิคมหรือในมีจีนญี่ปุ่นไทยในเอเชียเท่านั้นที่รักษาอิสรภาพไว้ได้หนึ่งไทยรักอิสรภาพและเมื่อ เ, เสียเอกราชเนี่ยฟื้นเร็วมากเราเสียครั้งที่หนึ่งแก่พมา่าโดยพระนเรศวรท่านฟื้นคืนกู้เอกราชครั้งที่สองพระเจ้าตากศินเสียครับเสียเอกราชครั้งที่สองพระเจ้าตากสินปนบุรีนี่แหละท่านกู้เมืองมาทําไมท่านกู้มาได้ทั้งสองพระองค์เนี่ยเพราะข้อที่สองกับข้อที่สข้อที่สองก็คือ คนไทยแต่อดีตมาไม่มีความกลัวชาวต่างชาติไม่มีเซโนโฟเบียเซโนโฟเบียคือกลัวต่างชาติครวงคนที่มีาศาสนาวัฒนธรรมต่างจากเราอยู่ร่วมกันต้อนรับด้วยรอยยิ้มสยามเมืองยิ้มนี่เป็นมานานแล้วและเพราะเรามีลักษณะอย่างนี้กรมพรานดลองเรียกว่ามีอวิหิงสาคืคอไม่ไปเบียดเบียนกัน อดทนต่อความแตกต่างมีขันติธรรมได้และข้อสุดท้ายเพราะเราไม่เพราะเราไว้วางใจเขาเนี่ยราจึงมี a อ s i m i l a t i o n การประสานประโยชน์ชาวต่างประ ช, ชระเทศเก่งเรื่องไหนเอามาใช้ประโยชน์หมดเอามาช่วยพัฒนาชาติไทยเพราะฉะนั้นพระนเรศวรใช้ประโยชน์จากชาวโปรตุเกสกู้ชาตาิทำไมไทยใหญ่และมอน ลดเอกบุเรงนองไม่ได้เพราะบุเรงนองใช้ปืนใหญ่ของโปรตุเกสยิงเรียบเลยไม่มีใครสู้บุเรงนองได้แต่พอมาถึงพระนเรศวรพระนเรศวรใช้ปืนใหญ่โปรตุเกสสู้กับพมา่าโดยโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาในกรุงสีทวยาก่อนพระนเรศวรอีกพระนเรศวรประมาณ400ปีแต่โปรตุเกสที่มาสร้างโบสถ์ซางต์ครูสเนี่ย เข้ามากรุงศรีธุยามาทําสนธิสัญญาครั้งแรกกับกรุงศรีธุยาเนี่ยนะเป็นการทําสนธิสัญญากับต่างประเทศเป็นครั้งแรกของกรุงศิรีธยาเนี่ยในปี2อ5 9นับมาปีนี้500กับหนปีเราเปิดประเทศเป็นครั้งแรกเนี่ยก่อนจีนก่อนอะไรทั้งหมดกับโปรตุเกต500กับหนปีแล้วโปรโตเกตเนี่ย มีความชำนาญเรื่องปืนใหญ่บุเรงนองก็เอาปืนใหญ่ของโปรโตเกตยิงพมา่า้วยกันเมืองไทยก็มีปืนใหญ่พระเนเรศวรก็ใช้ปืนใหญ่โปรโตเกตนี่แหละสู้กับพมา่าเราปลดแอกได้มาถึงสมัยกรงเสียกรงเสียทวีาครั้งที่สองพระเจ้ากรุงทนสามารถปลดแอกได้เนี่ยเพราะอะไร ประการที่หนึ่งก็คือใช้ภูมิปัญญาของจีนกลยุทธ์ของซุนวูในสาม ก, ก๊ก<ๆ>เพราะท่านเป็นคนจีน<ๆ>เพราะฉะนั้นยุทธยุท ธ, ธศาสตร์ในการรบเนี่ยไม่แพ้ของเบ้งนะ<ๆ>การที่พระองค์ไปตีเมืองจันทร์โดยให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อกแกงแล้วไปกินข้าวในเมืองจันทถ้าตีไม่ได้อดข้าวตายเนี่ย มันเป็นยุทธศาสตร์ของเหล้าปังในสมัยราชวงศ์ฮั่นก่อนสามก๊ก400รอปีเหล้าปังใช้มาแล้วและคนไทยไม่รู้พม่า ก, ก็ไม่รู้พระเจ้าตากรู้เพราะว่าท่านเป็นจีนท่านใช้ยุทธศาสตร์จีนกู้เอกราชคืนจากพม่าได้เพราะคนไทยไม่กลัวจีนใช้คนจีนมาช่วยและเมื่อพระเจ้าตากตั้งเมืองหลวงที่นี่ที่ วัดอรุธเนี่ยเอาคนจีนน่นะจากกรุงศริยาจากที่ไหนก็ตามมาร่วมรบมาร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นกุดีจีนอ่ที่มาของถินตรงนี้เนี่ยก็คือคนจีนที่ร่วมรบที่ร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองกับพระเจ้าตากเนี่ยมามาอยู่เลยวัดสังตะครุฑไปหน่อยที่มีแสนเจ้าเกียนเงิงอะ่ะนั่นแหละคือคนจีนที่ติดตามพระเจ้าตากมา ตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีแล้วเพราะฉะนั้นย่านนี้จึงมีคำว่าจีนเข้ามาเกี่ยวแต่กูดีจีนสางตะครูซเนี่ยเป็นเรื่องของโปรโตุเกสพอพมา่าตีสิงคโปร์สีทียาแตกคนโปรโตุเกสอบพยพไปอยู่ขเขมร น, นับถือศาสนาคริสต์อยู่ไม่ได้มันโดนภัยการเมืองคือบ้านแตกเมืองขาดไปอยู่ขเขมรพอพระเจ้าตากสร้างกรุงทนต ร, ตรตงนี้ที่วัดอรุณเนี่ย ราชวังเดิมเนี่ยกลับมาคนคนเปรตุเกดกลับมาแล้วนับถือศาสนาคริสต์หัวหน้าที่เป็นบาทหลวงชื่อบาทหลวงก อ, อใช่ไหมพูดกับคริสเนี่ยมันรู้ <laughs> ใช่ได้ <laughs> บาทหลวงกอมาแล้วพระเจ้าตากให้เข้าเฝ้าในคอสอหนึคือพศ2อ1 2ัส2อยอนเนี่ย พ, พ, พระเจ้าตากพระราชาทานเงิน20สกระสอบี่เหรียญ <20. S 1> ให้กับบาทหลวงก่อสร้างโบสถ์ซังตะครุสเรือหนึ่งลำสร้างโบสถ์ซังตะครุสตรงนี้ตั้งแต่สมัยออพระเจ้าตากมาเพราะฉะนั้นโปรโตเกตก็มาตั้งลกลากอยู่ตรงนี้สอง อ, อ, อ, ง อ, อทั้งมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันเก่าสุดโทมก็มาสร้างโบสถ์ปัจจุบันเนียในสมัยราชการที่หกโบสถ์ซตครุสที่เราเห็นอยู่เนี่ย เป็นยุคที่สร้างสมัยรัชการที่หพศ2459ร้อยกับหนึ่งปีเออร้ยหนึ่งปีนะอย่าไปแปลกใจทำไมเจ้าวาดวัดไปโยรู้ไปถึงโน่น <c oughs> บอกแล้วว่าเราอยู่ร่วมกันไม่รู้จักเขาได้อย่างไรตัวเลขนี้ของเท้นน ะ, ะ <c oughs> ใช่ไหมอ <c oughs> ใ, ใน 2459. ัส้ยาสบโบสันสกุูที่เห็นนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เรียกว่ากูดีจีนเพราะว่ากูดีคือ โบสถ์คืออะไรต่างๆอยู่ในย่านที่คนจีนมีศาลเจ้าเคียนเกงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมหายาณอยู่ตรงนั้นคริสอยู่ตรงนั้นแล้วพอมาถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งสมัยรัชกาลที่หนึ่งเน่ยไปอยู่ฝั่งโนนแล้วรัชกาลที่หนึ่งพระเจ้าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยมีน้องเขยชื่อนายบุญนาคน้องเขยก็คือ น, นายบุญนาคแต่งงานกับน้องสาวของพระมเหสีราชการที่หนึ่งพระอมรินทรามาตเป็นมเหสีราชการที่หนึ่ง น, นายบุญนาคแต่งงานกับน้องสาวเจ้าสาวพ่อเป็นเจ้าสาวทองอยู่ที่สมุทรสงครามทีนี้พอ น, นายบุญนาคเนี่ยเป็นน้องเขยพระเจ้าแผ่นดินราชการที่หนึ่งเนี่ยนายบุญนาคเนี่ยต้นตระกูลเนี่ยนะต้นตระกูลสืบเชื้อสายมาเชกอมัด กุมมีอยุธยา น, นุ่นเป็นแขกเปอร์เซียนับถือศาสนาอิสลาม400ปีมาแล้วสืบเชื้อสายมามาจนถึงพระเจ้าพระญาพะเพชรพิชัยใจพระยาพะเพชรพิชัยใจเปลี่ยนมาเทบถือศาสนาพุทธแต่อิสลามส่วนหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามต่อไปเป็นจุฬาลัชชนเป็นจุฬาราชชนตรีเป็นจุฬาละะัาละะตลกันแล้วนายบุญนาคเนี่ยบรรพบุรุษ เป็นมุสลิมมาจากเปอร์เซียคือเชคอามัดกุมมีแล้วมาเป็นเจ้าพระยากลาโหมคุมอำนาจทั้งหมดญาติญาติเนี่ยสายหนึ่งเป็นพุทธอีกสายหนึ่งเป็นอิสลามก็มีเขาเรียกไมตริจนะนะกับมุสลิมก็คงจะทุนอะไรต่างเนี่ยเอามุสลิมมาอยู่ย่านกะดีจีนและสร้างมัสยิดกุดีขาวในสมัยรัชการที่หนึ่ง นะมัสยิดบางหลวงกูดีขาวเนี่ยสร้างสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็อยู่กันมากับสายสกุลบุญนาคบุญนาคมาถึงลูกของนายบุญนาคเชิดิบุญนาคเนี่ยก็สร้างวัดประยุนละวงสาวาสในปี2371มาปีนี้หนึ่งร้ปีเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่ว่าเนี่ย โดยที่มีบรรพบุรุษหลอหลวล่อหลอมดวงใจเนความเป็นที่คนไทยมีลักษณะนิสัยก็คือหนึ่งรักศิลปภาพ 2. ทนต่อความแตกต่างได้ก็คือไม่มีเซนโนโเบียไม่กลัวชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมและอันที่สประสานประโยชน์อย่างที่กรมพญาดำรงราชานุภาพท่านว่าไว้ใครเก่งทานาเอามาช่วยพัฒนาชาติไทยหมดเพราะฉะนั้นคนจีน ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคนจีนทุกวันนี้สืบเชื้อสายกันมาพัฒนาประเทศจนหลอมรวมประเทศไทยเป็นเมลติ้งพอตเบ้าหลอมจนแยกไม่ออกว่าใครไทยแทย้ไทยผสมไทยมุสลิมมันเป็นคนไทยด้วยกันมาตั้งแต่สุขโขทยัยอายุทยาแล้วและก็ดีจีนมันก็เป็นอย่างนี้คนจีนเนี่ยที่ว่าก็ดีจีนเนี่ยนะรู้ไหมคนจีนมากที่สุดที่อยู่นอกประเทศจีนอยู่ประเทศไหน ไต้หวันอันดับหนึ่งอันดับสองคือไทยแลนด์คนจีนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมากเป็นอันดับสองรองจากไต้หวันมากกว่าฮ่องกงอีกและมาเป็นเบ้าหลอมช่วยพัฒนาประเทศไทยมาจนปัจจุบันนี้เป็นคนไทยเป็นอะไรต่างมุสลิมก็เช่นเดียวกันก็มากลมกลืนเป็นคนไทยเป็นวัฒนธรรมที่เราอยู่ร่วมกันอยู่ตรงกุดีจีนเพราะฉะนั้นกุดีจีนเนี่ยแค่คําว่ากุดีเนี่ยนะมันหมายถึง อะไรบ้างโบสังตะครุสเป็นกุดีจีนเป็นคริสถูกไหมโบสังตะครุสเป็นกุดีจีนนะเรียกกุดีจีนแต่คําว่ากุดีเนี่ยในวัดเราเรียกว่ากุติที่พักสงมันคําว่ากุดีนะแปลกไหมล่ะกุดีเนี่ยเป็นศัพท์ทางพระกุติที่พักสงไปกุติก็คือกุดีดอชดาเนี่ยแล้วจีนก็คือพระเจ้าตากเอามาอยู่เกียเก่ง แล้โบสโปรโตเกตเนี่ยไปอยู่ติดกับเกียรนันเกีงก็เลยเลยรียกโบสฝรั่งว่ากูดีจีนที่จริงในกูดีเนี่ยเป็นพุทธกูดีจีนเน่ยนะเป็นเออเป็นจีนแล้วก็เป็นโบสฝรั่งและก็มีคําว่ากูดีเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากคําว่ากะดีกะดีเป็นภาษาของมุสลิมแปลว่าลงสวดนะเนือรูปศาสนสถานเพราะฉะนั้น เราเราเรียกเอาอย่างนี้กันว่าย่านกะดีจีนเนี่ยมันหมายถึงกูดีจีนที่มีบทคริสหมายถึงกะดีที่มีกูดีแบบพุทธวัดประยชนวังกาและกะดีในความหมายศาสนาสถานของกูดีขาวต้นสนและก็ของท่านอีกรวมแล้วย่านกะดีจีนมันก็คือวิถีธรรมของพุทธคริสอิสลาม ซึ่งมาจากคาว่าก ด, ดีในมุสลิมกูดีของพุทธกูดีจีนโบซานตครุดชื่อเดียวเนี่ยนะก ด, ดีจีนเนี่ยนะมันรวมสมศาสนาและมีจีนอีกมหายานสความเชื่อพุทธคือเถราวาตอย่างวัดประยชนอ่าเป็นเถราวาตเกียร์อันเกง่งเป็นมหายานสองความเชื่อครับไปแล้วแล้วยังมีมุสลิมอิสลามมีคริส เพราะฉะนั้นย่านกระดีจีนสามศาสนาสี่ความเชื่อนี่คือแรงบันดาลใจจากกรมพญาดำรงราชานุภาพที่ท่านคนไทยได้ทำเอาไว้และพระเจ้าแผ่นินคือพระเจ้าตากก็สืบสานต่อมาสร้างควมวัฒนธรรมคนแห่งนี้มาเป็นชุมชนที่มีเบ้าหลอมเป็นเมลติ้งพอหลอมรวมวัฒนธรรมวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นที่ท่านพูดเนี่ยถูกแล้วมาดูตรงนี้คนไทยมีเซโนโฟเบียสัเมื่อไหร่ กลัวต่างชาติต่างศาสนาเมื่อไรเราไม่เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตแล้วมาจนถึงปัจจุบันและสืบต่อไปในอนาคตและเพราะเหตุนี้เองเราพัฒนาชุมชนจนได้รางวัลยูเนสโกรางวัลยูเนสโกทำให้เกิดงานที่คึกคักอย่างนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดรอบสองคนสุดท้ายขอกราบขอพระเดชพระคุณครับ ดังที่อาตมาได้ปราลบในตอนต้นเลยว่าการมองสิ่งต่างๆของพระเดชพระคุณทันยกรเจ้าวาดเนี่ยท่านไม่ใช่มองผ่านท่านจะมองเพ่งถ้าจะมองสิ่งต่างๆก็คือเจาะลึกลงไปเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหนึ่งจะต้องรู้ความเป็นมาสองคุณค่าของสิ่งที่ท่านจับหรือท่านทำเนีแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนอย่างไรไม่ได้เน้นไปที่ตัววัดหรือตัวท่านเท่านั้นนะ ทุกวันที่ท่านทำเ น, เน้นไปที่ประโยชน์และสุขของสังคมของชุมชนซึ่งตรงกับพระพุทธประสงค์คือความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประสงค์ที่จะให้พระสาวกทุกยุคทุกสมัยทําหน้าที่สองอย่างให้เป็นประโยชน์หนึ่งก็คืออัตตสมบัติพัฒนาตัวเอง ให้มีความรู้มีความสามารถที่จะทำประโยชน์แก่ทุกๆฝ่ายได้ประการที่สองก็คือว่าพระอิตาประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ชุมชนแก่ประชาชนส่วนใหญ่ว่าเราจะทำอย่างไรเป็นเหตุที่พระเดชพคุณพัฒนาวัดแล้วไม่ใช่เก็บไว้เฉยเฉโบสถ์ประตูโบสถ์ก็ต้องเปิดวิหารประตูวิหารก็ต้องเปิด ให้คนไทยให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่เป็นประจำทุกวันนี้นะฝรั่งมาเที่ยววัดประยุรวงค์จนถึงสี่ทุ่มกระบวนการจักรยานกระบวนการตุกตุกถึงประมาณที่เข้ามาพาฝรั่งเข้ามาถ่ายรูปมีไกด์พามาปุ๊บถึงประมาณสี่ทุ่มเพราะอะไรก็เพราะคิดถึงประโยชน์ของชาวโลกทั้งหลายที่จะพึงได้รับแล้วท่านก็ได้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังโดยละเอียดโดยเฉาวยอย่่งคว่ากะดีจีนนี่ ถ้าจะว่างไปแล้วคือทรีอินวันะสามศาสนาแล้วก็สี่ความเชื่ออะไรท่านที่ท่านว่าไปเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยทีเดียวก็ดีจีนมีความหมายแต่ที่ท่านว่ามานี้แต่เพือเดี๋ยวจะถาวายโอกาสท่านในรอบสุดท้ายครั้งหนึ่งในตอนนี้จะขอที่จะพรเรียนเชิญท่านอิมาหนาวินนะซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับวัดปิโงวงเดินไปเดินมาก็อยู่บ่อยๆนะแล้ววันนี้ท่านก็ได้มีโอกาสมาสาล เ, เสวนา ท่านน่าจะได้สะท้อนเรงความรู้สึกตื้คิดความประทับใจที่มีต่อกันมีต่อวัดประยุรวงศ์มีต่อสันตะคูดตลอดถึงที่อื่นๆว่าท่านมีความประทับใจและท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไรที่จะสารความรักสารสามัคคีในกลุ่มของเราเนี่ยให้กลมเกลียวเหนียวแน่นต่อไปให้นานเท่านานขอเจริญพรครับก็ข อ, อขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับ พระเทพปฏิณิภานกวีที่ได้นะครับให้เกียรติก็ข อ, อกรอกรออื่นข อ, ขอเรียนนวมศการนะครับท่านาศาสตราจารย์ดรพระผมบัณฑิตนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนะครับท่านองคสินยอวิศนุธัญญาอนันต์นะครับท่านาคุณถาพันธศรีวัฒนพักดีนะครับอาจารย์ธิด น, นันท์ ช่วงพิชิตและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมในกิจกรรมเสวนาในวันนี้นะครับก็สำหรับตัวกระผมเองก็ก็ต้องเรียนแนะนำสักนิดนึงก็คือเป็นเด็กที่นี่นะครับมาตั้งแต่เกิดเป็นเด็กที่โตที่นี่ความสัมพันธ์กับวัดประยุระวงศาวาสความสัมพันธ์กับทางโบสสันตครุนี่ก็นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเพื่อนฝูงพี่น้อง ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในบริเวณนี้ผมวิ่งเล่นในวัดประยูรวงศสาวาสมาตั้งแต่จําความได้พามาเข้าวัดประยูรวงสาวาสครั้งแรกคุณพ่อพามาพามาเข้าวัดเป็นมุสลิมทําไมพามาเข้าวัดคุณพ่อพามาดูเต่านะเด็กๆชอบมากครับมาดูเขาเต่าเขาหมอข้างหลังเนี่ยครับเข้ามาเป็นประจํำพอโรงเรียนเลิกปั๊บก็จะร้องให้คุณพ่อพาเข้ามาดูเต่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุ้นเคยกับวัดประยุรวงศสาวาส แล้วโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นที่เป็นพระมหาท่าเจดีที่อยู่ด้านหลังนี้ก็เป็นที่ที่เคยวิ่งเล่นซ่อนหามาตั้งแต่เด็กเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับวัดปยุรรวงสาวาสนี้ก็เรียกได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของตัวตนของผมในทุกวันนี้นะครับสำหรับในส่วนของวัดซันตาครูสก็เช่นเดียวกันผมเองเนี่ยคือเนี่ยอยู่ทางมัสยิดตึกแดงทางกัวตินอิสลาม ก็พัฒนาขึ้นมาก็มาเป็นอิหมัมที่มสัสยิดกูรตินอิสลามแต่ก็มีญาติพี่น้องทางคุณแม่ที่อยู่ทางกะดีขาวนะครับอีกมากมายที่ต้องเกี่ยวข้องต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างกะดีขาวกับสุเหราตึกแดงก็ผ่านนะครับผ่านบอดซันตาครุดนะครับของท่านอาจารย์วิษณุก็ได้ขึ้นมานั่งเล่นกันที่บอดซันตาครุดท่าน้ําที่เป็นศาลา หน้าวัดซันตาครุดเนี่ยก็คือที่ที่มากระโดดน้ําเล่นกันอยู่เป็นประจำตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนั่งกระโดดน้ําจากหน้ามัสยิดกัวตินอิสลามเกาะเรือพ่วงมาเกาะเรือพ่วงมาขึ้นท่าซันตาครุดแล้วก็มาวิ่งกระโดดน้ําเล่นท่าซันตาครุดนี่พอเสร็จปั๊บมีเรือพว่วงสวนกลับไปก็เกาะเรือพ่วง ก, กลับไปขึ้นที่บ้านเพราะฉะนั้นในเรื่องของความผูกพันกับพื้นที่ในตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือส่วนหนึ่งของตัวตนของผมเองเลยก็ว่าได้นะครับจนกระทั่งมาถึงในทุกวันนี้เนี่ย พอมาได้รับเลือกตั้งนะครับให้ทําหน้าที่เป็นอิบามเป็นผู้นํามัสยิดกัวตินอิสลามซึ่งอยู่บริเวณสวนสมเด็จย่านะครับทางด้านทางด้านผู้ที่ได้ได้เล็กๆน้อยนะครับมัสยิดกัวตินอิสลามเนี่ยผู้ที่ได้ได้ริเริ่มในการดําเนินการก่อสร้างท่านก็คือสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยย่าท่านคือสมเด็จองค์น้อยในขณะที่ท่านสมเด็จองคใหญ่คือสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาประยุรวงศ์ผู้ที่สร้างวัดประยุรวงศ์สาวาทแห่งนี้คือสมเด็จองค์พี่ สมเด็จองคใหญ่เพราะฉะนั้นก็เรียกได้เลยว่าทั้งวัดทั้งมัสยิดเนี่ยเป็นอ่าเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็มีความผูกพันกันมาตั้งแต่โบ ร, โบราณซึ่งมัสยิดกูตินอิสลามเองเนี่ยก็ใช้อ่าได้ทำการดำเนินการก่อสร้างอ่าเมื่อปี 2,400 นะครับนับถึงวันนี้ก็อ่าปีนะครับก็จะอ่อนกว่าท่านวัดปปะยุระวงสาวาสของท่านพระอาจารย์สัก30ปีก็เป็นอ่า เป็นพี่เป็นน้องที่ท่านเป็นผู้ปกครองดูแลในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความผูกพันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งซึ่งคงจะกล่าวได้ยากว่าแค่ไหนเรียกว่ามันคือจิตวิญญาณของผมเลยดีกว่าแล้วเราก็เห็นในสภาพของความร่วมมัยมีเพื่อนที่เป็นชาวไทยพุทธมีชาวไทยเชื้อสายจีนมีคริสเตียนมีเพื่อนที่หลากหลายในกลุ่มเชื้อชาติในกลุ่มาศาสนากลุ่มวัฒนธรรมเราก็มีการปฏิบัต งานเรามีการใช้วิถีธรรมคาว่าธรรมะใ น, นมันคือในที่นี้คือคือความดีคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับคือความเอื้ออาทรคือความาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของวิถีธรรมเนี่ยเรามีอย่างเต็มที่เลยแล้วยิ่งมาบวกกับคาว่าวิถีไทยวิถีไทยคือเราเป็นคนไทยด้วยกันเรามีภาษาไทยเรามีวัฒนธรรมไทยเรามีจิตวิญญาณที่เป็นไทย ในเรื่องวิถีทมวิถีไทยนี่คือสิ่งที่มันมีความสําคัญในการที่หล่อล้อมให้คนในชุมชนของเราเนี่ยได้มีความสามัคคีกันมีความร่วมมือกันไม่ว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรก็ตามดังท่านผู้มีเกียรติจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีการจัดงานอะไรเราก็จะได้รับความร่วมมือจากในทุกๆวัฒนธรรมในทุกๆ ก, กลุ่มศาสนาอย่างท่านจะเห็นได้ว่าร้านที่มาออกร้านขายของเนี่ยมีทั้งอาหารไทยมีทั้งอาหารจีนอาหารโปรตุเกสรวมทั้งอาหารมุสลิมนะครับ ก็เป็นสิ่งซึ่งบ่งชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าในชุมชนของเราเนี่ยในเรื่องความร่วมม้ร่วมมือเนี่ยในเรื่องการอ่าหล่อล้อมหัวใจให้เป็นดวงเดียวกันนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าวิถีธรรมวิถีไทยหล่อห ล, ล, ลอมดวงใจนักกูดีจีนนะครับเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่ทําให้เราทุกท่านเนี่ยได้เห็นในวันนี้ว่าในหัวข้อที่เรามาพูดถึงในวันนี้มันได้ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับในวิถีธรรมประสานกับวิถีไทย ซึ่งทําให้เกิดการหล่อหลอมดวงใจณพื้นที่แห่งนี้ในบริเวณเท่านี้เพียงเท่านี้เป็นพอสังเกตก็ขอนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านก็ขอเรียนครับเท่านี้เพียงเท่านี้เป็นพอสังเขต ค, ครั บ, ออ ข, รบขอบพระคุณมากครับขอจเจริญพรนะมทนาละขอบใจท่านอิหม่ามนาวินซึ่งท่านคุ้นเคยกับพระวิสุทธิสมเด็จที่วัดนี้ด้วยคุ้นเคยกับญาติโยมแถวนี้เนื่องจากท่านได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าท่านเด็กตเล็ ก, กท่านก็วิง่งเล่นอยู่แถวแถวนี้อยู่แล้วนะ สุกถิ่งที่ท่านพูดไปเนะี่ยพูดจากใจพูดจากความทรงจำพูดจากเรื่องประทับใจทั้งสิน้นก็ยังมีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเทรนันคุณเทรนันนี่มาวัดปยุโรงสาวาดเมื่อก่อนเนี่เกือบจะทุกอาทิตย์น ะ, ะเพราะว่าท่านเป็นไกด์เนี่ยพาทัวร์เนี่ยมาเที่ยวที่วัดปยุโรงและอธิบายเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเลยทีเดียวเล่าเรื่องละเอียด ยิ่งกว่าพระสงฆ์องค์สมเด็จของวัดปรโยร์วงเสด็จซ้าไปรู้ลึกนะแล้วก็ล่าเรืองบันเทิงใจเล่าให้นักเที่ยวทั้งหลายที่มาเที่ยววัดปิโยร์วงเนี่ยได้มีความประทับใจบางท่านเนี่ยมาถึง3ครั้งใช่ไมมาบ่อยๆทางนี้ก็เพราะอาศัยคุณธีรนันนี่แหละวันนี้อยากจะให้จานธีรนันได้บอกเล่าสนิทอย่งว่าได้พาทัวร์หลายปีดีดักมาแล้วนว่า ที่เขาสนใจวัดประยูรวงสาวาดมากในตอนนี้คือสนใจอะไรเจริญพรกับนักวัฒศการพระเดชพระคุณเจาณ้านะครับสัตร์รายยาดรพระพมพระพัณฑิตและก็พระพราชป็ิพานกวีแล้ก็ ด, กดกรวิศนุด้วครับอิหม่มนวินศาสนกุลด้วยและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพระคุณเจาณ้านะครับถ้ากล่าวถึงวัดประยุรวงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคีย์เวิร์ด คำสำคัญน่าสนใจมากเลยตั้งแต่ด็อกเตอร์วิศณุพูดถึงเซโนโฟเบียแล้วก็พระพมมาบันฑิตท่านก็พูดถึงเซโนโฟเบียผมก็อยากจะต่อเรื่องของเซโนโฟเบียเหมือนกันว่าเราไม่มีเซโนโฟเบียเนี่ยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากมาจากวิถวีธรรมวิถีไทยที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่13มมกราคมวันเด็กวันนี้เป็นวันเด็ก อิหม่ามนาวินอุตสาห์ยหยิบเรื่องราวของความเป็นเด็กมาเล่าให้ฟังก็อดไม่ได้ที่จะต้องนําความรู้สึกของความเป็นเด็กก่อนนะครับผมถูกผมเติบโตมาในความเป็นในครอบครัวของสังคมมุสลิมคุณพ่อเนี่ยคุณแม่ผมส่งไปเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนโรนงเรียนหนึ่งตอนนี้พอเรียนพอออกมาโรงเรียนก็เจ๊งไปเลยนะฮะชื่อโรงเรียนประสาทศิลโรงเรียนประสาทศิลเนี่ยได้ มากในตอนเรียนนะครับได้คะแนนดีมากได้คะแนนมาจนกระทั่งเจ๊กนะครับปีนหนึ่งปีสอเนี่ยได้ถึง 90% กว่าจนครูจะขออนุญาตบอกจะพลาชั้นให้ไปเรียนป2คุณแม่บอกว่าเก่งมากก็ย้ายขอให้ย้ายออกย้ายออกเสร็จคุณแม่ส่งไปเรียนที่โรงเรียนคทอลิกผมก็ไปเรียนที่โรงเรียนคทอลิกอยู่ติดกับของ โบสถ์ซานแครุสนะครับมาเรียนที่โรงเรียนคาทอลิกเรียนที่คทาทอลิกก็สวดอย่างคาทอลิกมาตลอดเลยแล้วก็มายืนฟังสวดแบบคาทอลิกมาโดยตลอดเลยจนจบโรงเรียนคาทอลิกอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนแสงอรุณเสร็จแล้วคุณแม่ก็ส่งไปเรียนโรงเรียนวัดเป็นโรงเรียนวัดที่วัดอรุณครับโรงเรียนปถมปฐมเทวีทาพิเศษแล้วก็ไปยืนฟังสวดแบบพุทธ ฟังมาตลอดเลยครับจนจดท่องจําได้ทั้งหมดเลยจําได้ว่าวันแรกเนี่ยตอนที่เข้าไปเรียนในวันเด็ด น, นี่เล่าให้ฟังในวันเด็ดนะครับปรากฏว่าวันแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้สวดมนต์ใช่ไหมครับเรายืนไม่สวดมนต์แต่เพื่อนเราเนี่ยปนมมือครับสวดมนต์แล้วเขาตะแคงหน้ามาคุยกับผมผมก็ไม่ได้สวดมนต์ก็คุยด้วยแต่เขาอะปนมมือแต่ไม่สวดมนต์ยืนสวดมนต์อยู่งั้นปรากว่าอยู่ในสายตาของครูใหญ่ ครูใหญ่ก็พอจบให้ทุกคนทุกชั้นขึ้นเรียนหมดเรียบร้อยเสร็จนุสซิมครับตั้งคำถามว่าทำไมเธอไม่สวดมนต์ผมตอบบอกว่าผมเป็นมุสลิมครับครูใหญ่ก็ถามบอกว่าห้องนี้ใครเป็นมุสลิมบ้างให้เดินก้าวออกมาหนึ่งก้าวปรากฏว่าเพิ่งจะไปเรียนวันแรกป .5 ไม่รู้เลยว่าในห้องเรามีมุสลิมอยู่เกือบสิบคน9้าออกมานอกแถวทั้งสิบคนเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำใหเรร้เรารู้สึกว่าเซโนโฟเบียสาหรับเราเนี่ยไม่มีเราไม่มีเซโนโฟเบียเลยเราถูกเราถูกส่งจากอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ของแม่ที่อยากจะให้เราได้รู้จักว่าธรรมที่แตกต่าง ในวัยนั้นนะครับส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแคทเธอริกส่งลูกไปเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมต่างๆวัดเลยนะครับจนกระทั่งเราเองเนี่ยเรามีรลูกเราคุ้นเคยกับเพื่อนฝูงวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเรียกง่ายๆวันศุกร์ก่อนกลับบ้านเนี่ยบทสวดพรา บ, บทสวดไหนเพราะๆเนี่ยฟังและชอบชื่นใจมากและบทสวดไหนที่เพื่อนๆสวดชาวพุทธก็สวดเราก็สวดได้ ถึงแม้จะได้ไม่ได้ประนมมือก็ถืออ่านหนังสืออา่านท้องก็กมาโดยตลอดเลยอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าเซโนโฟเบียของครอบครัวจึงทําให้เราเติบโตขึ้นมาพอมาถึงวันนี้ปุ๊บพอเราเติบโตขึ้นมาเนในฐานะของอประธานมูนิธิมูนิธิประชาคมย่านกรดีจีนคองแานเราใช้คําว่าย่านกรดีจีนคลองสานขึ้นมาเป็นซึ่งคําว่าย่านไม่ใช่เขตไม่ใช่อําเภอ ไม่ใช่เป็นคำว่าย่านคือความรู้สึกคือความรู้สึกร่วมกันเพื่อนๆ เ, เ, เราเดินทางมาที่นี่ก็บอกว่าเป็นคนย่านกระดีจีนใครที่อยู่ในบริเวณเดียวกันบอกไม่ได้นะครับว่าย่านกระดีจีนอยู่แค่ไหนตราบใดที่ความรู้สึกสำนึกร่วมคือย่านกระดีจีนตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราพยายามจะสร้างย่านกระดีจีน ย่านมูนิธิประชาคมย่านกะดีจินของศาลขึ้นมาภายหลังจากความรู้สึกที่ได้รับจากพระพรหบัณฑิตที่ท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านท่านท่านกล่าวบอกว่ารางวัลยูเนสโกเนี่ยต้องบอกให้ทราบหน้าเราไม่ได้ได้เพราะวัดนะเราได้เพราะการทํางานร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันทํางานเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงทำเป็นจึงจึงเป็นจุดที่และแรงบันดาลใจที่ทำให้เรา อยากจะเห็นสังคมสันติรูปหรือที่เรียกว่า e พีซโมเดลคือสังคมสันติรูปที่เจ้าคุณพูดถึงสังคมสันติรูปที่เรามีอยู่อย่างเรินเวณนีอยู่เหนือเขตปกครองอยู่เหนือเขตทั้งอยู่อยู่เหนือพื้นที่การปกครองของหน่วยงานราชการแต่เป็นพื้นที่ของความรู้สึกร่วมกันตอนนี้จึงใช้คาว่าย่านกบดีจีนและย่านคลองสาเพอมาถึงวันนี้ การก่อร่างสร้างตัวของมูนิทิกำลังเป็นรูปเป็นร่างเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าคำว่าเซโนโฟเบียที่กล่าวถึงไม่ได้เพิ่งจะมีเมื่อเราวัยในวันในวันนี้เป็นวันเด็กไม่ใช่เห็นได้เลยว่าอย่างที่เราเด็กเท่านั้นมีมาแต่ก่อนานานแล้วยังฟังจากอิมมกหาอมามก็จะเห็นได้เลยว่าอิหมามก็จะเห็นได้เลยว่าแม้แต่วัยเด็กอิหมามก็ถูกผู้ปกครองก้าวข้ามเซโนโฟเบีย จนกระทั่งเราไม่มีความรู้สึกวร่อเซโนโฟเบียแต่เซโนโฟเบียสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งที่ด็อกรวิสโนพูดถึงว่าอยากจะให้มาเห็นภาพอย่างเลยว่าที่นี่เขาอยู่กันยังไงปรากฏว่าเมื่อ190ปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันในฐานะที่วัดวันนี้อบสมโพศวัดอายุ190ปีเมื่อ190ปีก็เช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่มีการสร้างนะครับปรากฏว่าฝรั่งมังค่าที่เดินทางเข้ามาเนี่ย ในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระพุทธพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ก็ทรงพระองค์ตรัสไว้บอกว่าตัดเตือนไว้นะครับตัดเตือนไว้กับสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ท่านช่วงบุตรของสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาปายุร่วงท่านตัดบอกท่านตัดไว้ตอนช่วงปลายของตอนช่วงปลายของของราชการของพระองค์เพาะท่านตัดบอกว่าศึกในภาคหน้ า, าในภายภาคหน้า ก็เห็นแต่เพียงเองเท่านั้นคือศึกในภายภาคหน้าก็เห็นเปรียบแต่เพียงเองเท่านั้นศึกข้างยวนข้างพม่า ก, ก็จะยศลดลงพึงระวังฟ้าครับบอกว่าเห็นครับว่าพึงระวังฝรั่งให้ดีแต่ไม่ใชใ่กลัวนะครับบอกว่าพึงระวังฝรั่งให้ดีการงานสิ่งใดของเขาที่ดีก็ให้เรียนล่าเอาไว้แต่อย่าถึงกับนับถือเรื่องสายเอาเสียทีเดียว เห็มะเซโนโฟเบียแหะคือก้าวลัชการที่สาพระองค์ทรงก้าวข้ามพ้นเซโนโฟเบียจนกระทั่งมาถึงในยุคของผู้ที่สร้างทั้งสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาปยุรวง์และก็บุตรของท่านก็คือสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็ก้าวข้ามพ้นคาว่าเซโนโฟเบียเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถก้าวข้ามพ้นได้ตามที่พระพมพระมดิ์ท่านพูดถึงนะครับท่านกล่าวถึงกล่าวนำเนี่ยจึงทําให้เห็นไว้ว่ากระบวนการ พัฒนาสังคมของเรานับมาตั้งแต่อยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก้าวพ้นคําว่าเซโนโฟเบียไม่จ้องพูดถึงเซโนโฟเบียเลยเรามาดูเราจะเห็นชัดเจนว่าเราไม่มีคําว่าเซโนโฟเบียอยู่ในความรู้สึกของเราเพราะเราก้าวพ้นความกลัวเราไม่กลัวความต่างนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เห็นว่าพัฒนาการของวัด190ปี เกิดขึ้นมาพร้อมกับเซโนฟเบียพร้อมคําว่าก้าวข้ามนะครับเกิดมาพร้อมกับการก้าวข้ามเซโนฟเบียมของอต้องบอกบูรพามหากษัตริย์และก็บูรพ า, บ, าบุคคลอีกจํานวนมากที่มีคู่นูประการต่อวัดและก็เป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาก็เพราะเราก้าวข้ามสิ่งที่เราเรียกว่าเซโนฟเบียได้อย่างสมบูรณ์แบบและสะท้อนมาจนถึงวันนี้อย่างที่เราเห็นครับ ขอบคุณครับขอขอบคุณอาจารย์ทีรนันท์ช่วงพิชิตนะีซึ่งท่านคุ้นเคยกับวัตถุยุโร์และชุมชนกันดีจีนตลอดถึงย่านคลองสานด้วยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวทีนี้จะเข้าสู่ละรอบสองซึ่งเป็นเรื่องที่อัตมาเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องความฝันเราร่วมกันทางกิจกรรมตลอด ทุกปีทุกปีทุกปีตั้งแต่ประเด็พคุณดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวารวัดปิโยวงศ์ 2,548 2,549 เริ่มงานประเภทนี้แล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เหมือนอย่างนี้แต่เริ่มแล้วถามว่าทำไมถ้าจึงเริ่มทำงานตัวนี้เดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังในตอนท้ายว่าสิ่งบันดาลใจของท่านนั้นคืออะไรที่สาคัญคือเมตตาธรรมจากใจของพระเดพระคุณ จะใช้ชุมชนย่านนี้อยู่กันอย่างที่อย่างน้องมีความคุ้นเคยกันเหมือนยาติคือวัดปยุรวงต้องการจะเป็นเซ็นเตอร์ของทุกชาติทุกศาสนามานานแล้วท่านก็ต้องการจะรักษาว่าเป็นบรดกเป็นวัฒนธรรมของวัดอย่างนี้มานานเราจะต้องเดินไปในทำนองนี้คำว่าวัดหมายถึงวัดปยุร่วงเนี่ยเป็นศูนย์กลางดังที่ว่าศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดคือวงแห่งญาติที่กว้างใหญ่เหมือนเป็นญาติกันหัดวัดคือเขตเมตตาเขตอภัยวาดวัดคือค่ายฝึกใจให้ทุกคนรักกันตรงนี้ท่านต้องการจะกสารตรงนี้ความคุ้นเคยกันนี่เองเนี่ยเปิดประตูวัดให้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันเนเกิดความคุ้นเคยถ้าไม่มีกิจกรรมอันนี้คงจะไม่ได้พบกันนะท่านอเวิสานผมไม่คงไม่มีโอกาสได้พบปะเอเจ อ, เจ อ, เจอกัน มไม่คุ้นเคยกันนะมผมไม่คุ้นเคยแล้วความเป็นญาติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคําว่าญาติคําว่ามิตรเนี่ยต้องเกิดจากความคุ้นเคยกันพ อ, อตะมาเห็นท่านนาวินมาตมาก็เอ้าท่านด า, า, า, าวินไปไหนไมันเกิดความคุ้นเคยกันเ น, นี่ยอาจารย์ธิรนันมาก็เอา้าอาจารย์ธิรนันวันนี้มีกี่คนพาทัวร์มากี่ค น, นทักทายพาศัยกันเหมือนเป็นญาติเป็นมิตรอาจารยจะรักษาบรรยากาศอย่างนี้เอาไว้ต่อไป เราต้องมาคิดร่วมกันว่านี่คือมรดกของชุมชนจะช่วยกันรักษามรดกอย่างนี้กันอย่างไรจึงจะให้เป็นลักษณะอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ขอไอเดียท่านดรวิศนุแหละเชิญครับขอบคุณครับท่านออผมจะขออนุญาตจะใช้เวลาช่วงที่สองเนี่ยอาจจะไม่ไม่มากแต่ว่าผมก็มีมุมมองว่าที่ย่านกระดีจีนเนี่ย เป็นย่านที่มั่งคั่ง <c oughs> มั่งคั่งอยู่แล้วคือมีต้นทุนสูงมากอยู่แล้วนะครับเป็นเวลาหลายร้อยปีเนี่ยเอนี้ก็มาคิดดูว่าสิ่งพื้นพื้นเนี่ยผมกับมีเป็นคนที่มีความหวังแล้วก็ความหวังเนี่ยในยุคอย่างรุ่นรุ่นที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็คงไปไม่ได้ไกลฉะนั้น ก็คิดตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างนี้วันนี้เป็นวันเด็กเนี่ยต้องให้เด็กเนี่ยผมดีใจมากเลยเห็นเด็กวิ่งไปวิ่งมาเด็กเต็มไปหมดเลยอะ่ะอันนี้คือเป็นว่ามีความหวังนะครับเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ที่เห็นพิธีกรในงานเนี่ยเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยบอกว่าเราสารต่อตามอะไรเจตนารม์จากพระบาทเจ้าอยู่หัวก็ดีหรือว่าเป็นคาที่เราพูดกันบ่อยมาก ก็คือคําว่าบวรบวรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วบ้านบ้านนี้สําคัญสุดและครอบครัววัดนี่ก็สําคัญเพราะเป็นจุดศูนย์รวมของทุกอย่างคําว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆผมเกิดอาการสงสัยนิดนิดละในยุคปัจจุบันเพราะว่าระบบการศึกษาีใช้คําว่าโรงเรียนแล้วจนะสานต่อสร้างความหวังได้ยังไง เพราะบางคนเขาไม่ไม่ใช้คำว่าโรงเรียนแล้วนะครับเขาบอกบ้านวัดโรงพยาบาลเพราะว่าโรงเรียนมันลดน้อยลงไปคนนี่เดี๋ยวนี้ก็มีบุตรน้อยลงไปแล้วก็จะพูดกันไปแล้วก็ก็เจ็บไข้ได้ป่วยเยอะ แล้วอาการเจ็บพระเดปุก็ต้องพึ่งโรงพยาบาลต้องอะไรทีนี้อันนี้ผมว่าไม่ได้อะไรแต่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นจุดส่วนรวมที่สุดแต่วันนี้อยากจะพูดว่าความหวังที่จริงๆที่มีอยู่ก็คือเด็กนั่นเองแค่นั้นเองฮะงนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเริ่มสร้างจากต้นทุนที่เรามีในเขตกรดีจีนเนี่ยนะครับผมว่าเอาพื้นพื้นก่อนก็นแล้วกันคนในยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาติดกันมากก็คือ เอ า, อางี้กันใช้เครื่องเครื่องไมยเครื่องมือที่เรามีนะครับเช่นดนตรีผมเข้าใจว่ากะดีจีนเนี่ยเคยมีเพลงมัชของกระดีจีนอันหนึง่งซึ่งร้องผมก็จำไม่ได้แล้วแหละแต่ว่ารู้ว่าเกือบเ0สิบปีแลวร้องวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยเดือนนี้แล้วก็จนวันนี้ก็เกือบ70สิปีเนื้อหาสาระก็คือขอให้ลูกบ้าน ไม่ว่าย่านกระดีจีนเนี่ยต้องสมัครสมานเน้นเรื่องความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันไม่อยากให้ภัยพิบัติข้างนอกมันมาทำร้ายเราอะไรก็ตามที่มันเป็นศัตรูของพวกเราก็เราจะต้องยอมเสียสละชีวิตเพื่อกันและกันคือผมว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันมีอีกหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องเลยต้องทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ทบทวน ให้เขารู้ประวัติศาสตร์มากขึ้นเนี่ยผมผมกับมองอย่างนั้นนะครับเรื่องที่สองต้นทุนที่เรามีเนี่ยอย่างเช่นว่าคนเราเนี่ยที่ไหนมาไหนไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องกินเรื่องใหญ่โดยเฉพาะคนไทยมาถึงก็กินแล้วอะไรก็กินที่เรามีของที่เป็นต้นตำรับที่นี่ฉะนั้นจึงเข้าใจว่า การที่เราจะมาประกวดอาหารในแต่ละวันพวกนี้เนี่ยผมไม่ด้อยากจะให้คนย่านนี้มีความภาคภูมิใจที่มาที่ไปของอาหารที่บรรพบุรุษในย่านนี้เรารับมรดกมาแล้วก็สานต่อจะไปต่อยอดอยังไงนี่ผมก็คิดแบบนี้นะครับไม่ว่าไม่อยากจะให้ไปหลงกับสิ่งที่ไร้ค่าหรือไร้ประโยชน์อันนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าความหวังของผมเ่ย ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องคนรุ่นใหม่แล้วก็ผมที่เวลาเห็นเด็กๆวิ่งไปวิ่งมามาวัดคนหนุ่มคนสาวที่อย่างชาวคริสเนี่ยเขาต้องเน้นว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไตรตรองว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนผู้มีความกตัญญูรู้คุณ ต่อพื้นแผ่นดินต่ออะไก็แล้วแต่ต้องมีตั้งจิตอธิษฐานภาวนาทุกวันเนี่ยคือชีวิตคุณเริ่มเข้าสู่แนวทางนี่ผมคิดว่าต้องเป็นวิถีของศาสนาซึ่งคนไทยเราเป็นอยู่แล้วทีนี้ผมคิดว่าต้องเริ่มจากการให้เพิ่งจะจบเทศกาลคริสต์มาสไปเนี่ยเมื่อกี้ผมเริ่มต้นไว้ว่าพูดถึงซั่ตะครุสเนี่ยใครพอพูดเราเพิ่งจะตะค r o s เนี่ยใชย่ ซังตาคอสเนี่ยไม่ว่าใครพอพูดเราเพิ่งจะฉลองคริสต์มาสเนี่ยยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับโอ้ยิ่งกับประเทศที่เป็นคริสติอีกเนี่ยผมบอกให้แต่งต้นไม้แต่งซังต้าคอสแต่งถามว่าในที่สุดแล้วมันก็ดีไหมดีซังต้าคอสเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นเซนเป็นนักบุญองค์หนึ่งของคริสต์นั่นเอง คือเซนต์นิโคลัสบังเอิญท่านเป็นคนที่ใจบุญอ้วนจมูกแดงก็ประมาณเนี้ยฉะนั้นเด็กๆ ก, ก็ไฝ่ฝันฉะนั้นสังตคลก็เวลาที่ท่านบอกการเป็นญาติเนี่ยเวลาเจอคนตกทุกข์ได้ยากหรือว่าอย่างที่ท่านบอกการเป็นญาติเนี่ยมันจะเกิดจากการมิตรภาพอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องเริ่มการแบ่งแบ่งปันผมก็เลยเพิ่งดู เมื่อตอนคริสต์มาสไม่กี่วันเนี่ยครับผมผมเห็นคลิปจากโทรทัศน์อันหนึ่งแล้วผมประทับใจนะผมขอโทษทีต้องอเอ่ยชื่อนะครับแสงดีมั้งผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดชื่อยงยุทธนำสกุลอะไรไม่รู้แสงดีมั้งเป็นคนระยองเขามาจากบ้านจนๆ น, นะครับถ้าท่านได้ยินเนี่ยท่านต้องคงภูมิใจในตัวท่านเถอะท่านบอกว่าตอนเด็กเนี่ยท่านจน แล้วท่านก็พอใกล้คริสต์มาสเนี่ยอากาศแบบนี้เย็นๆเยีนยมาแน่นอนซังต้าครอสเนมาแน่นอนไม่ใช่ซังตาครูสนะซังต้าครอสมาเสร็จแล้วมาเพราะอะไรท่านก็หวังอะ่ะที่จะได้ของขวัญสิ่งดีสิ่งงามแต่ท่านก็แ้วทุกทีคือทำไมก็ไม่รู้ด้วยเหตุใดไม่รู้นะจึงมาถึงท่านทีไรเนี่ยหมด ท่านไม่ได้เลยอ่ะพอท่านไม่ได้ของขวัญปุ๊บเนี่ยเออถ้าผมคิดนะถ้าเราอยู่ในวัยเด็กเนี่ยเราอา จ, จะเอเอถ้ามันไม่ได้คนอื่นก็ต้องอย่าได้เลยต่อแต่เปล่านะกลายเป็นว่าท่านบอกว่าถ้าเราโตขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเรามีกำลังเมื่อไหร่ถ้าเราสามารถที่จะช่วยคนอื่นไม่ได้เนี่ยเราจะทำตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับปีหหนึ่งเนี่ยนะครับ ยี่สิบสองปีย3ิบสามปีเนี่ยท่านเก็บของขวัญไปทุกปีเนี่ยเริ่มเก็บแล้วแล้วก็ใส่รถกระบะรถสามล้อเนี่ยรถจาเล้งใหญ่ๆคันหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็แต่งตัวเป็นซานตาคลอสท่านไม่ได้เป็นชาวคริสต์นะแต่ท่านก็มีความเชื่อว่าทำอะไรก็ได้แล้วก็ขี่รถไอ้สามล้อเนี่ยตั้งแต่ระยองเนี่ยมุ่งมั่นจะไปถึงเชียงราย เพื่อจะให้ไปแจกของให้เด็กจนๆผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราได้คนแบบรู้จักให้กับสังคมเนี่ยนะเรียนรู้กับเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยคุณจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเราก็มันเนี่ยสังคมที่นี่เนี่ยนะฮะกระดีจีนเนี่ยต้นทุนสูงอยู่แล้วมีวัฒนธรรมท้องถิน่นมีสิ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิน่นมีบรรพบุรุษที่ปลูกฝังมามีคนที่อยู่ในตระกูลดีๆ เป็นคนอยู่ความรู้สูงทำงานในราชวังเป็นคนที่มีความสัมพันธ์นดีมีความรู้เรื่องาศาสนาความรู้เรื่องเรื่องเป็นคนเขียนดิกเชนารีก็อยู่แถวนี้นะครับเรื่องหมอเรื่องการแพทย์ทุกเรื่องเรื่องความรู้สอยู่แถวนี้หมดเราจะต่อยอดเนี่ยผมคิดว่าต้องคุยบ่อยๆให้เด็กๆฟังเล่าอะไรก็ได้ให้ที่เขาสนใจหรือฟื้นในสิ่งที่เขาเป็น ผมคิดว่าแค่นี้ยก็เรียกว่าดีแล้วครับขอนวโรนาขอบคุณท่านดรพิศนุอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรอบที่สองท่านได้ย้ำว่าควรจะบอกเราให้เยาวชนของเราเนี่ยรู้สึกภูมิใจในท้องถิ่นคนเราเมื่อมีความรักมีความภูมิใจอะไรที่เป็นของตัวเองก็อยากจะรักษาไว้ีโดยสรุปเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ขอความ กรุณาท่านยิ่งมามนาวิธิครั้งนึงเป็นรอบที่2นะฮะครับก็ต่อจากาเมื่อรอบแรกนะครับสักเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงในเรื่องว่าวิถีธรรมวิถีไทยที่เราสามารถนำสองวิถีนี้มาผูกกันแล้วก็ทําให้เกิดการหล่อหลอมหล่ อ, ล, อล้อมดวงใจของพวกเราที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับไอ้คําว่าธรรมะเนี่ย มันเป็นของกลางนั่นแหละเป็นส่วนกลางนะครับมันไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์ในคําว่าธรรมะทั้งนั้นแหละใครก็เอาไปใช้ได้ใครที่อยากจะนําคําว่าธรรมะก็เอาไปใช้คําว่าธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือความดีความดีทั้งหลายแหละทั้งหลายทั้งปวงเพราะถ้าคําว่าไม่ดีเนี่ยเราจะใช้คําว่ารรอาจทำอารรมนี่คําเป็นคุณความไม่ดีในเมื่อเรามีธรรมะที่เราสามารถดึงมาใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ นำมาใช้ได้ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ฮะท่านท่านอาจารย์ท่านพระเทพปฏิพานกวีท่านพิธีกร น, นะครับท่านบอกว่าเราจะทํำยังไงถึงเราจะารักษาได้รูปแบบความสามัคคีกลมเกลียวกันในชุมชนของเราเนี่ยต่อไปให้ได้นานเท่านานอันนี้ก็คือเรื่องทีเ่เราจะต้องนำธรรมะข้อหนึ่งมาใช้นะครับธรรมะในข้อนี้เนี่ยก็คื อ, อาการที่จะ เอาอคำขวัญวันเด็กแล้วกันท่านนายกเพิ่งให้มาเนี่ยเมือม่อเมื่อเนี่ยเอาวันนี้เลยแหละรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะครับในโอกาสวันเด็กรู้คิดนี่แหละคือสิ่งที่มันมีความสําคัญมากทีเดียวเราต้องทําให้เยาวชนนะครับให้เด็กๆของเราเนี่ยเด็กที่อยู่ในปกครองเราเนี่ยรู้จักคิดอะ่ะเพราะคําว่าการรู้จักตัวเองก็คือการต้องรู้ประวัติศาสตร์ของตน เราพยายามสร้างให้เขารู้จักคิดที่จะรู้จักตัวตนของเขาโดยผ่านทางเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันนี้แหละผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้เยาวชนรุ่นต่อๆไปคนรุ่นต่อๆไปเจเนอเรชันต่อๆไ ป, ไปเนี่ยเขาสามารถรักษารูปแบบของชุมชนที่มีความแตกต่างนะครับสามศาสนาสีความเชื่อ รักษาต่อไปเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็ผมก็มองไปถึงด้วยว่าอย่างมากที่สุดเนี่ยเราจะเป็นชุมชนต้นแบบต้นแบบเลยทีเดียวต้นแบบของกรุงเทพมหานครต้นแบบของภาคกลางต้นแบบของประเทศไทยต้นแบบของเ อ, อเซียแคนย์ผมมองไปถึงกระทั่งว่าเป็นต้นแบบของโลกเลยผมมองไปถึงขนาดนั้นนะครับ เพรการที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ท่านาพูดกันนะครับเมื่อกี้ในเรื่องเซโนโฟเบียมันกลายเป็นสิ่งซึ่งทําให้คนเนี่ยเขาเกิดเกิดความไม่ไว้วางใจกันเกิดความหวาดระแวงกันแต่ในตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลบไอ้คําว่าเซโนโฟเบียได้ไปว่านะครับในเรื่องของอาการที่อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเพราะฉะนั้นก็เลยมองต่อไปว่า ในรูปแบบของชุมชนเราเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นแบบของชุมชนต่างๆที่เขาอยู่ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มศาสนาใดก็ตามให้เขาอยู่ร่วมกันได้เนี่ยอย่างที่เาอย่างที่เราอยู่กันเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะทำให้ทุกๆคนเห็นเพราะฉะนั้นก็ข อ, อสรุปลงท้ายนะครับว่าสิ่งซึ่งที่เป็นสิ่งที่สาคัญที่เราควรที่จะ สร้างให้เกิดก็คือครอบครัวทำให้บุตรหลานนะครับให้ผู้ที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในธรรมะนะฮะในหัวข้อที่ว่าเนี่ยเราจะต้องรู้จักคิดคิดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆอย่าไปคิดในสิ่งซึ่งมันเป็นในทางของความชั่วความอาธรรมคิดดีนะครับทาดีนี่แหละก็คือสิ่งที่มันจะจันรลงทาให้ชุมชนของเรานั้นฮะมันอ่า ถูกส่งต่อผ่านไปยังอนาคตข้างหน้าอีกอกี่ปีก็ไม่ทราบล้วเนี่เรามีโครงการกรุงเทพ250ปีไม่ทราบว่าใครจะอยู่ถึงบั่งนะครับก็มีโครงการอยู่นะของนี่ของอะไรนะ UDC ใช่ไหมฮะของศูนย์อะไรนะศูนย์พัฒนาและออกแบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีโครงการเขานะครับก็ขอฝากไว้นะครับทุกๆ ท, ท่านนะครับรู้จักประวัติศาสตร์เรามีบุตรหลานพยายามปลูกฝังเขา ให้เขารู้จักตัวตนให้เขารู้จักประวัติศาสตร์ให้เขารู้จักความเป็นมาแล้วก็ให้เขาเห็นวิถีชีวิตที่มันหล่อล้อมความดีงามธรรมะวิถีธรรมวิถีไทยเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้ชุมชนของเรานั้นได้เป็นตัวอย่างได้เป็นต้นแบบที่สังคมรอบๆด้านเขาจะมองเราด้วยความอิจฉาครับขอบพระคุณครับเจตุรพ่อนครนมทนาท่านอิมามนาวินนะที่สรุปหมน่น่าคิดทีเดียว คนเราถ้าเกิดว่าคิดเป็น ค, คือคิดดีคิดเป็นคือคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยสามคำนี่มีความหมายมากเลยจะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ขอบคุณครับความคิดเห็นของท่านอาจารย์ธีรนันท์ทดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณครับจริงๆคือต้องเข้าใจคำว่ามรดกก่อนขอมรดกคือสิ่งที่มีคุณค่ามรดกคือสิ่งที่มีคุณค่า คือสิ่งที่เรารับมาเรารับจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนรุ่นหนึ่งและถ้าเราจะส่งทอดต่อไปให้เป็นมรดกต่อไปกหรับก็ต้องเป็นส่งในสิ่งที่มีคุณค่าเช่นเดียวกัน <ederim. S 1> เพราะฉะนั้นความหลากหลายของศา ส, สนาหรือความทำที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราเนี่ยเป็นมรดกที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะย่านนี้ในเวลานี้เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งที่เป็นมรดกของบั พ, พชนตั้งแต่ครั้งอายุทยาและส่งทอดผ่านมาในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อเราสูญเสียกรุงศรียุธยาในปีพุทธศักราช2310และส่งทอดต่อมาจนกระทั่งมาเป็นสังคมของผู้คนที่อยู่รวมตัวกันที่นี่เป็นสังคมอายุทยาที่ยังมีชีวิตอยู่แม้จะมีแบงทำให้ แ, งแสงสีเสียงทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไป แต่นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทําให้มีอายุยืนและสืบท อ, อดต่อไปได้ยาวนานเพราะฉะนั้นมรดกที่เห็นวันนี้190ปีไม่ใช่จุดของความพึงพอใจว่าเราสะสมหรือสั่งสม ม, มรดกมาได้190ปีแต่นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องทําอย่างไรที่จะต้องส่งทอดต่อไปให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นลูกรุ่นหลาน ที่เขาสามารถที่จะมารับรู้ถึงสิ่งที่มีคุณค่าในอดีต ท, ที่สืบทอดต่อมาเป็นมรดกจนถึงวันนี้เขาพร้อมจะรับแล้วก็สืบทอดต่อไปสามารถฉะนั้นก า, ก, าการสั่งสมมรดกตรงส่วนนี้ถ้าเราสามารถส่งทอดต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้อนาคตไม่ได้อยู่ที่คนรุ่นเราแต่อยู่กับคนรุ่นใหม่ที่เขาจะสามารถรับไปได้และภายใต้ปัญหาที่ เรากําลังเผชิญอยู่และก็พระเดชพระคุณได้ใช้วิธีการในการทํามาหลายปีที่ผ่านมานั่นคือคำคือคำว่าศารเสวนาตรงนี้คือการได้คุยกันการได้คุยกันการได้คุยกันจะสามารถลดอาวิชาได้อาวิชาแปลว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มีนวิชาเสวนาพูดคุยแกเปลี่ยนกันอาวิชาก็จะทําให้กลายเป็นวิชา เพราะฉะนั้นการไม่รู้ก็ทําให้เราเกิดความรู้เมื่อความรู้เกิดขึ้นก็จะเกิดความเข้าใจและความเข้าใจก็จะกลายเป็นความรักและสิ่งเหล่านี้จึงจะกลายเป็นบรดกที่เราคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะรับต่อไปได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่การได้เรามีโอกาสได้สารเสวนาไม่ช่องบนเวทีในทุกระดับในทุกเพื่อนบ้านระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันระหว่างชุมชนกับชุมชน ระหว่างเขตต่อเขต ร, ระหว่างพื้นที่ต่อพื้นที่อย่าแบ่งว่าเป็นของฉันของเธอแต่เพียงแต่บอกว่าให้มีโอกาสได้สารเสวนาหลายปีที่ผ่านมาผู้นําของประเทศหนึ่งก็คือประเทศอิหร่านการเสวนารับโจให้เป็นเดออารอกอัมมังเดอร์ซีวิดาเซชันคือการเสวนาระหว่างวัฒนธรรมให้การให้มีการพูดคุยกันระหว่างวัฒนธรรมตรงนี้ จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นกลไกลที่สําคัญหรือถือได้เลยว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับสังคมของเรานะครับซึ่งทํากันมาหลายปีนั่นคก็คือสารเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และก็ลดอัตราซึ่งกันและกันและก็ยกฐานะภาพของความเป็นอาวิชาให้กลายเป็นวิชาซึ่งจะทําให้เราส่งมอบมรดกสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างมีคุณค่าและอย่างมีอนาคตต่อไปด้วยเช่นเดียวกันครับ ชิดนะฮะท่านอาจารย์ธีร น, นันท์ช่วงพิชิตนะฮะซึ่งได้สะท้อนมุมมองได้ชัดเจนเลยทีเดียวกระผมจะขอความเมตตาพระเดชพระคุณนะฮะเป็นท่านสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทีก่กระผมสนใจมากกว่าวัดประยุรวงนี่ได้มีบทบาทในการประสานความรักความสามัคคี ตลอดถึงนาชื่อเสียงมาูมาสู่ชุมชนกติจินบบบชัดเจนมากตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,548 เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านเริ่มเริ่มทำสิ่งแปลกใหม่แล้วกระตุ้นชุมชนให้ตื่นมาแต่บัด น, นั้นจะเราจําได้นะฮะชุมชนเราเริ่มตื่น เ, เริ่มตื่นแล้วก็ไม่ใช่เป็นการตื่นแบบมีความหวาดกลัวนะแต่เป็นการตื่นแบบยิ้มรับแล้วก็ มีความพึงพอใจว่าเอ๊ะต่อไปนี้นะเราจะต้องเข้าหันหน้านะีมาร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะทําให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างหนึง่งเป็นชุมชนที่มีความสงบสุขอย่างหนึง่งที่ว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งก็เพราะว่าชุมชนมีภัยเหมือนกันเช่นภัยจากสิ่งเสพติดภัยจากการรุนเท่าไม่ถึงการของขบวนการต่างๆที่มาทําให้คนในชุมชนนะีต้องเกิดความ คุณคล้องบ้องใจกันอย่างนี้ก็มีในน้อยหนึ่งปีความเข้มแข็งขึ้นชุมชนมีอาชีพมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นอย่างนน้อยหนึ่งปีจะได้มาประกวดอาหารกันในช่วงหนึ่งปีนี้ไปก็มีการตระเตรียมมีการฝึกฝนผลิตสูตรอาหารใหม่ๆที่จะมาเสนอกันในงานสมโภชวัดปิโยุ ร, ยยรวงศ์อย่างนี้ก็ขอเรียนถามอย่างนี้ครับว่าสําหรับบทบาทในอนาคตต่ตอไปนั้นพระเดชคุณวางกลไกยอย่างไร มีวิมีวิสัยทัศน์อย่างไรที่จะกระชับในะความรักความสมัครสมานชุมชนให้มีมากกว่านี้ขอบคุณครับมีหลายประเด็นหลายคำถามเวลานั่งฟังบนเวทีอย่างเช่นเรามีการสารเสวนาอย่างนี้ในวัดทำไมจึงขยาย การทำงานออกนอกวัดไปยังชุมชน6ชุมชนที่จริงเนี่ยวัดใครก็จะอยู่กับชุมชนนั้นสมัยก่อนเนี่ยวัดประยูนก็จะมีชุมชนวัดประยูนวัดกร ะ, ะยาก็จะมีชุมชนวัดกร ะ, ะยาซางตะครุตก็จะมีชุมชนโบสถ์ซางตะครูแต่เดี๋ยวนี้เราข้ามพ้นตรงนั้นไปแล้วคำว่าเราเราแทนที่จะเรียกว่าชุมชนเราเรียกย่าน ทํางานของวัดประยูนนี่ไม่ได้อยู่กับชุมชนวัดประยูนคือเรียกง่ายๆว่าชุมชนแต่ล้วชุมชนเนี่ยเขาจะมีประธานชุมชนอยู่แล้วได้รับการรับรองจากฝ่ายรัฐเขื่อนเพอคือเขตแต่เวลาเราทํางานกับย่านเนี่ยเราในเขตเนี้ยเรามีประธานชุมชน6คนมาร่วมกันอย่างในงานเนี้ยถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันใน6กชุมชนมีอะไรบ้างเดินไปดูชื่อร้าน เขาจะเขียนว่านี่ชุมชนวัดประยูนชุมชนย่านของนี้ของขายนี่มาจากไหนแต่เดิมเนี่ยวัดประยูน์ก็อยู่กับชุมชนวัดประยุรวง์แล้วก็จะมีชุมชนวัดบุผารามชุมชนวัดกระยาชุมชนโบสถซังตะครูสชุมชนกุดีขาวมัสยิดกุดีขาวและก็ชุมชนลงครามเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็น6อยู่นะมีประธานชุมชนแล้วเขาส่งอาหารมาเนี่ยมามาขายมาอะไรเนี่ยมาจากหชุมชนนวัดประยูนเนี่ย ทำไมเราข้ามไปตรงนั้นก็คือเรารวมกันเป็นย่านกระดีจีนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้เราข้ามถนนประชาธิปกนะไปเขตคลองสานอีกก็เลยกลายเป็นกระดีจีนคลองแสนที่อันนี้ที่เราทำเป็นอย่างนี้แต่ในโซนตัวเนี่ยที่ท่านจะคุณถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรเนี่ยนะคือเป็นเจ้าวาดนปี 2,148 ตอนนี้ก็12ปี ก่อนนั้นเนี่ยได้อ่านบทรายงานของกิลับกิลโพลเป็นโพลระดับโลกเขาทำแบบสํารวจประเทศทั่วโลกว่าประเทศไหนมีคนในประเทศนั้นเนี่ยมีความสุขที่สุดประเทศไหนคนมีความสุขที่สุดปรากฏว่าในช่วงปีนั้นน่ประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นประเทศที่นึกไม่ถึง คือประเทศไอซ์แลนด์เลยอังกฤษขึ้นไปนะส่วนมากเป็นดินแดนหิมะภูเขาน้ำแข็งแต่คนตอบว่าเขามีความสุขคนมีไม่กี่แสนหรอกแล้วเกลลโพลเขาวิเคราะห์ว่าเออใช่ทำไมประเทศนี้จึงมีความสุขที่สุดตอบว่าเขาไม่ทะเลาะกันเขารักเขาสามัคคีกันเขามีธรรมะ แล้วทำไมเขามีธรรมะธรรมชาติมันสอนตั้งแต่ลืมตาเกิดเป็นเด็กเแบบีเลยนะเพราะว่าสิ่งที่มาอยู่ตรงกันข้ามเนี่ยในธรรมชาติมันสอนให้อยู่ร่วมกันสิ่งที่ขัดแย้งกันมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติไอสเแรเลี Iceland, มีฉา ย, ยาว่ามีสมยาว่า land of fire and ice ดินแดนของไฟกับน้ำแข็งอยู่ร่วมกันใต้ดินเป็นภูเขาไฟ มันมีภูเขาใต้ภูเขาเป็นภูเขาไฟเหนือภูเขาไฟเป็นน้ําแข็งคือหิมะแล้วหิมะคือน้ําแข็งกับไฟใต้ดินมันอยู่ร่วมกันเป็นธรรมชาติที่อยู่มานานพลพอเห็นขึ้นมาขนาดไฟกับน้ำแข็งมันยังอยู่ร่วมกันได้แล้วทําไมพวกเราชาวไอซ์แลนด์ไม่สามัคคีกันเขาจึงสามัคคีกันโดยธรรมะคือธรรมชาติ รักกันชุมชนเข้มแข็งทําไมชุมชนเข้มแข็งหนึ่งพ่อแม่ไม่เคยปล่อยเด็กให้ไปเป็นปัญหาสังคมใครมีลูกเลี้ยงหมดอบรมหมดรักเด็กหวนเด็กอย่างนี้นะไม่มีหรอกเด็กจรจัดทุกคนบอกว่าเรารับผิดชอบเด็กมีปัญหาในครอบครัวเราแก้เองดีกว่าให้เป็นปัญหาของสังคมใครมีลูกรับผิดชอบเองอันที่สอง เด็กที่เกิดไม่ว่าในชุมชนไหนเนี่ยจะภูมิใจในความเป็นชุมชนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชนเล่านิทานในท้องถิ่นได้ทุกชุมชนตรงนี้เองที่ทำให้เกิดสารเสวนามิฉะนั้นเนี่ยยานกระดีจีนใครจะรู้บ้างโบสถานตาครสูสร้างเมื่อไรมัสยิดกูดีขาวกูตินอิสลามสร้างเมื่อไรไม่มีทางรู้ไม่มีทางภาคภูมิใจถ้าไม่มาเสวนากันโมดีทีนี้ เราจะต้องรู้กําพืชรู้รากเหง้าของเราบรรพบุพ ร, รุษเราอยู่ร่วมกันอย่างไรเมื่อกี้เล่าดังนันอันแรกเนี่ยทำไมส่วนตัวถึงย้เป็นศึกษาเพราะอยากจะมาเล่าให้ชุมชนนี้ได้ภาคภูมิใจในความเป็นหนึ่งเดียวย่านกรดีจีนนี่คือสิ่งที่ว่าเมื่อเราภูมิใจเด็กภูมิใจแล้วเนี่ยเขาจะช่วยถนอมรักษาชุมชนเขาจะรักสามัคคีกันและเมื่อเกิดแรงบันดาลใจอย่างนี้ขึ้นมาได้โอกาสที่ ท้งฝ่าย UDDC ตอนนั้นเป็นสถาปนิกสยามมาร่วมกันเนี่ยทั้งทั้งฝ่ายไ h a i บเวอร์เรชเนี่ยนะมาช่วยกันพัฒนาอ้าววัดก็ร่วมเกาะขบวนรถไฟตอนนั้นเนี่ยเราเกาะขบวนรถไฟเปิดไปจัดงานรอยกระทงกันไอ้ที่สำนักเท ศ, ศกิจอะตอนนั้นยังไม่าไม่กล้าเชิญมาพูดตรงนี้นะนัดพบกันแอบพบกัน <laughs> แอบพบกันตรง น, นั้นที่สำนักเท ศ, ศกิจะนะ คนฟังประมาณจะน้อยกว่าคนพูดอีกนะเพราะผรมบุรีก็ขึ้นพูดตรงนั้นแหละแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นกิ๊กก๊อกตรงนั้นเนี่ยนะแล้วก็ทํากันมาเรื่อยวัดประยูนก็ทําของเราธนุสก็ทําแล้วมาถึงวันหนึ่งวัดประยชน์ได้รางวัลยูเนสโกดังเป็นระดับโลกเลยนะแล้วพอได้รางวัลยูเนสโกก็ประกาศอย่างที่คุณธีระนันเนี่ยนะพูดเมื่อกี้เนี่ยนะว่า น, นี้ไม่ใช่รางวัลสาหรับวัดประยูนนะมันเป็นรางวัลของชุมชนย่านกรดีจีนทั้งหมด อ่ะทีนี้จะพูดต่อว่าทำไมพูดอย่างนั้นเพราะมันมีหลักฐานเวลายูเนสโกเขาให้รางวัลเนี่ยเขาจะมีประกาศสดุดีว่าวัดนี้ทำไมได้ เ, เขาเรียกไซต์เทชัไปอ่านอยู่เดี๋ยวนี้แปะให้อ่านเลยนะอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ย t ซต์เทชันของยูเนสโกเป็นหลักฐานเขาเขียนว่าที่ได้รางวัลเนี่ยเพราะสประการประการที่หนึ่งเพราะเทคนิคในการบูรณะอันที่อันนี้ไม่เล่าละ อันที่สองเพราะเมื่อบูรณะแล้วประโยชน์ใช้สอยเหมือนยังเป็นศาสนสถานเหมือนเดิมแต่ศักดิ์กว่าเดิมเพราะกรูแตกอันนี้ก็ไม่เล่าอันที่สามเนี่ยที่เขาประกาศไว้ในไซ t ์ a t i o n เนี่ยเขาบอกว่าเพราะกระบวนการในการบูรณะเนี่ยได้รวมได้ได้ความร่วมมือของชุมชนรอบด้านแม้จะมีวัฒนธรรมาศาสนาต่างกันเนี่ยก็มาช่วยกันคือเขาดูตั้งแต่เราไปแอบจัดกันที่ริมแม่น้ําลยะ โอ้แล้วก็มีหลายฝ่ายเนี่ยเข้ามามีบาทหลวงมานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้มีท่านผู้นําศาสนาอิสลามมาี ม, มาเนี่ยเรามีภาพให้ยูเนสโกเขาเห็นตอนหลังๆเนี่ยก่อนจะได้รางวัลเนี่ยเราก็เริ่มมาจัดในนี้ละเราก็มานั่งเสวนากันอย่างนี้ทั้งเพราะเพราะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่านี่คือบอวรเป็นตัวอย่างของบ้านวัดโรงเรียนคือราชการด้วยมันก็เลยทําให้เราได้รางวัลและมันไม่แปลกที่ว่าเป็นรางวัล อวอร์ดระเบิดเสร็จรางวัลที่1เดียวแห่งเดียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยจนตั้งแต่ก่อนนี้เคยมี9รางวัลนะเป็นรางวัลที่3กับที่4ชมเชยไม่มีรางวัลที่1วัดประยูร์มาเป็นรางวัลที่1แห่งเดียวในประเทศไทยและตั้งแต่ปี5้ามาจนวันนี้ก็ยังไม่มีรางวัลที่1ได้อีกเลยเพราะมันจะต้องรวมบางแห่งเขาได้แค่2ข้อแต่ว่าชุมชนไม่ได้แต่วัดประยูร์เนี่ยถ้าใครอยากวัดไหนอยากได้รางวัลนะต้องเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบูรณะมันจึงจะครบ3ข้อจึงได้รางวัลที่1แต่ที่ไหนก็ตามทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนเข้ามาร่วมอย่างวัดประยูนเนี่ยซึ่งไม่ใช่มาร่วมเพราะทําเจดีเราทํากัน ก, นก่อนแล้วในการทํากิจกรรมอย่างนี้แล้วมันก็มาถึงร่วมบูรณะเจดีพอได้รางวัลปุ๊บจึงประกาศตามไซต์ที่เชนนั้นว่าเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนนะที่เราทําตรงนี้ออกมาและผลจากตรงนี้เนี่ย ขอช่แบ่งปันให้ชุมชนหกชุมชนเป็นย่านกะดีจีนวัดประยูน์เมื่อได้รับระยูนิี้ก็ขอเป็นหน้าบ้านเป็นรีเซพชิ่นเป็นการต้อนรับแล้วก็แนะนํากันนะใครจะมาเที่ยวประยูนต่อไปซานตาครูสไปกัวเินอิสลามมัสยิดกูดีขาวแล้วเราก็เชื่อมกันอย่างนี้มันจนบัดนี้ดูสิฝรั่งเข้ามาเนี่ยปั่นจักรยานเนี่ยทะลุไปโน่นนะคนที่ละนั้นก็เป็นมุสลิมนะพามาเที่ยวประยูน์ก่อนแล้วก็ไปทั้งหมดเลยทีนี้ ม, มาถึงการจัดงานบ้าง งานนี้นะเราก็คงบวรนั่นแหละสามประสานบ้านคือชุมชนวัดคือรวมกับมัสยิดรวมกับโบสถ์นะแล้วก็ราชการผลก็คือการจัดงานเนี่ยในส่วนบ้านเนี่ยมีหลายองคอ์กรเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งอ ง, องค์กรเอกชน UDC ครั้งคุณมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีของคุณถาปณะนะมาร่วมกันจัดงานแล้วก็มัสยิด ขนมฝรั่งกุดีจีนเนอมาแล้วนะอาหารที่สลามก็มาใครก็มาหลากศาสนามาอยู่ที่นี่ผู้นําก็มานั่งกันอยู่ที่นี่สิ่งนี้มาวันนี้นี่กระทรวงวัฒนธรรมราชการก็จะมีทั้งโรงเรียนและกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้นี่กระทรวงวัฒนธรรมไปไปโกดลิเกอยู่โน่นเลยนะละและนั่นก็คือการมีส่วนร่วมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีก็มาก็คือเรายังคงบวรอยู่นั่นแหละใครใครมาช่วยอะไรก็มาช่วย บ้านวัดราชาการขยายไปจากโรงเรียนนะตัวรอตัวนี้นะเพื่อให้ส่วนราชาการทั้งหมดมาเสร็จแล้วมาถึงปีนี้บ้างปี190ปีเนี่ยอยากจะจัดงานใหญ่นะจัดงานใหญ่แต่เกรงใจทั้งบ้านทั้งราชาการทึ่กรอบแกรบนะจัดงานกันบ่อยก็เลยบอกว่าจัดครั้งเดียวพอปีนี้จัดครั้งเดียวจะจัดเมื่อไหรด่ดีเพราะว่ามีอาคารสร้างเสร็จอยู่ เป็นอาคารศิ ธ, ธรรมภพักดีทางคุณถาปณะทางคุณเจริญคุณหญิงวันานามาช่วยสร้างให้ตอนออเทิด พ, พระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชดุาสายามบรมรามมาภิรมย์60พรรษาเสร็จแล้วกล่าวว่าปีนี้วัดประยูร190เกาปีก็จัดครั้งเดียวเลยวันนี้จะไม่จัดนะเกรงใจเดี๋ยวจะไปแข่งกับฉลองสลาก็เลยบอกคุณ สาราปฏิบัติธรรมก็เลยบอกคุณถามนักไม่ต้องจัดก็ได้ปีนี้นะนี่พูดจริงใจคือไม่อยากจะไปเด่นแข่งกับสาลาปฏิบัติธรรมจริงๆแหะแต่คุณถาพนักบอกจัดเธอชวนกันจัดเออเนี่ยเนีี่ที่ต้องมาพูดตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีคุณถามนักไม่ได้มานั่งพูดเราเนี่ยจาอวัตประกาศไปแล้วว่าไม่จัดจะจัดเนี่ยพระในวันเลยเตรียมตัวไม่ทันไงกรรมการก็ไม่ได้ตั้งอ่ะมันเหตุนี้แหละเพราะว่าไม่จัดกล่าวว่าจะไปฉลองสาลาปฏิบัติธรรมนู่น 6กกว่าล้าน่ะแล้วยังจะมีค่าเก้าอี้ค่าอะไรเลยจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ประกาศไว้ก่อนนะหลัง <c oughs> ะาะนั้นเมื่อเมื่อแล้วก็เลยจะไม่ไม่ทำตรงนี้นะแต่คนถามปนาบอกนี่เพื่อชุมชนนะถ้าเราไม่จัดตรงนี้แล้วใครจะมันจะมีโอกาสมาขายของเมื่อไหร่อ่ะเพราะเพราะสลาไม่้ทำมันไม่มีที่ขายของเราคิดถึงชุมชนแล้วจะได้มาขายของร่วมกันเนี่ยปากเอา้าเห็นด้วยทนี้ จะให้ชุมชนทั้งหมดมามาขายของเนี่ยโดยคนถาปณะเนี่ยจัดซุ้มเนี่ยนะทางวัดร่วมมือคือไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายเลยนะขายได้เท่าไหร่เอาไปยกเว้นเอา500สําสำหรับเก็บขยะนอกนั้นเป็นของเขาหมดให้ชุมชนได้มีรายได้ตามระบบประชารัฐนั่นแหละเราก็ส่งเสริมนโยบายตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างที่ว่าเอทางฝาเเมื่อเมือม่อเมือม่อปารพว่าอาคารศริวัฒนาพักดีเนี่ยสริธรรมภักดีเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องสําเร็จประเทศ ทางวัดก็บอกทำไมไม่ขอถ้วยพระราชทานสุเดวประเทศในงานนี้ก็เลยมีเรื่องประกฏดเลกเกอ์ประกฏอาหารรับถิงถ้วยพระราชทานขึ้นมามันก็ขยายไปเลยทีนี้นะได้รับพระเมตตาพระกรุณาจากสุเดวประเทศมันก็เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วพอพอตกลงก็จะจางงานไปต่างประเทศนั่งการบินไทยนะนี่ได้เอกได้นิตยาสารสวัสดีมาปกตินิตยาสารนี่ขเขาแจกการบินไทยเขาทาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนิดหน่อย ในเล็บเดียวกันเนี่ยแจกฝรั่งทั่วประเทศที่บินการบินไทยไปทั่วโลกเราเห็นก็ไม่เคยหยิบอ่านนะแต่ไม่รู้ไปยังไงพระที่ไปด้วยสิบรูปไม่มีใครอ่านเลยมีมีพระพรหมประดิด์อ่านอยู่รูปเดียวเอามาเลยบเดียวเนี่ยนะอ่านไม่ไปเจออะไรขึ้นเดือนเดือนธันวาคม d ด c e m b e r เนีเ่ยน ะ, ะเขาลงบทความตอนแรกก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกแต่ว่าเปิดไปเปิดมาเจอบทความนี้เลยอ่านบทความนี่ก็คือ มีรูปพระเจ้าตากศินะแล้วก็เขาเขียนบทความนะฮะภาษาอังกฤษชื่อบทความเนี่ยในสวัสดีเนยนะนี่ oh. the rise of money town แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองหรือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีเงินมันนี่ทาเมืองไม่เงินเขาแปลฝรั่งฟังคือทนบุรีเเจอมันนี่ทาแล้วนี่ว่ามัน แล้วเราก็อยู่ทนบุรีนี่นะเออความเขาเรียกการถือกำเนิดการเจริญรุ่งเรืองของมันนี่ทาวด์ก็คือมันนี่ทาว์ก็คื อ, นน ก, คอกรุงทนเพราะอ่านข้างในเนี่ยภาษาอังกฤษเขียนเยอะกว่าภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยแค่สองหน้าภาษาอังกฤษยาวมากสรุปว่าอย่างนี้เขาบอกว่าปี61เนี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะกรทมจัดฉลอง250ปีกรุงทนบุรี 250ปีกรุงทนบุรีนะสอมเอ่อสองสามเอ่อสองสอ่ะมาถึง25 6 1้0หเออองร้ปีกรุงทนบุรีแล้วเขาก็เขียนเล่าว่าพระเจ้ากรุงทนกอบกู้เอก ร, ราชยังไงทําไมมาตั้งเมืองหลวงอยู่ตรงนี้เพราะว่าเก็บขนน์เก็บภาษีมีงเงินเยอะเอาไปส่งไปที่อยุธยาเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยเมืองทนกรุงทนบุรีแล้วเขาก็บอกว่า การจะมาฉลอง250ปีกรุงธนบุรีคอนแนนดำฝรั่งนะคุณไปเริ่มที่วงเวียนใหญ่เอนะจะเห็นอนุสาวรีย์พระังกรุงธนน ะ, ะขี่ม้าใช่ไหมส่งม้าม้าจะหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกหางม้าอยู่ตะวันตกคุณมาทางด้านซ้ายนะให้เดินมาตามถนนประชาธิปกอยู่ด้านซ้ายของของม้าเนี่ยจะมาถึงสะพานพุทธเขาเขียนบอกเลยนะแล้วข้างๆสะพานพุทธจะมีวัดที่ได้รางวัลยูนิสโก้ อตอนนี้ตาลุกเลยนะวัดประยุนของเรานี่นะเขาเขียนอธิบายเลยทำไมวัดประยุ์ได้รางวัลยูเนสโกอย่างกันอย่างงี้อ่าแล้วมันชื่นใจนะแต่เวลาเป็นภาษาไทยไม่พูดถึงเลยนะพูดแต่วัดประยุ์แต่มันได้ยังไงอะไรไม่พูดอ่านภาษาอังกฤษดีกว่านะในเร็มนี้นะเพราะเนื้อที่ภาษาไทยมันจํากัดคือเขาแปลเสร็จแล้วเขาก็บอกวัดประยุนนี่แหละรางวัลยูเนสโกอย่างกันอย่างงี้เดินเลยวัดประยุนนะโบซังตาครูสนะอ้าวไปต่ออี ก, ไป อ, กไปอีกหน่อยมีมัสยิดบางหลวงโกดีขาวไปจบที่วัดอรุณ และนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแนะนาชาวฝรั่งว่าถ้าจะมาร่วมฉลองกรุงธนบุรี250ปีต้องมาสถานที่ใกล้สะพานพุทธนี่ที่จัดงานฉลองเนี่ยนะโอ้เราเราเริ่มก่อนเพื่อนเลยนะในปี2511เนี่ยรับกับไอ้ที่เขาฉลอง250ปีกรุงธนบุรีและเขาก็บอกว่าบอกฝรั่งว่าถ้าจะไปร่วมฉลอง ต้องมาแถวย่านกะดีจีนมันถึงจะเห็นความเป็นทนบุรีที่ชัดเจนมีเอกลักษณ์มีสั ญ, ญลักษณ์และเขาจะเริ่มอะไรเริ่มวันนี้ที่จัดงานรถประยูนยนี่แหละตีกลองสะบัดใช้นี่แหละนะเปิดงานนี่แหละแล้วฉลองกันทั้งปี250หปีมันก็เลยนึกถึงคุณถาปะละที่ดีเลยถ้าไม่มากระตุ้นไม่ได้ร่วมฉลองกับเขาหรอกด้วยประการแลนี้ เป็นพระเดชพระคุณอย่างสูงเลยนะครับการสารเสวนาเนื่องในการสมโพธวัดประโยงสาวาตหนึ่งนิดนึงเนื่องจากพระเดชพระคุณท่านได้เล่าให้ฟังว่าได้อ่านบทความจากนิตยสารสวัสดีว่าการฉลองกรุงธนบุรี250รปีนั้นมีเรื่องวัดประโยงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คือวัดปยุรงสาวาทเรองเหล่านี้ท่านทั้งหลายคงจะพอจำได้ว่าสร้างขึ้นในพุทธศักราช 2,371 แล้วทำการฉลองเมื่อพุทธศักราช 2,380 ในวันที่ฉลองคือ 2,380 13มกราคมนั้น มีเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของคนในยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้คืออะไรหมอปัดเรได้นำวิวัฒนาการด้านการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเนื่องจากว่าเนวไ ด, ได้ได้ไปถูกพระภิสูจส์สงรูปหนึ่งทำให้เป็นแผลที่แขนแบบวววะหมอบัดเรจึงทำการตัดแขนพระ ในวันที่13มกราคมเมื่อ190ปีที่ผ่านมาวัดประยุรงสมัยก่อนนั้นเราเรียกกันว่าวัดรั้วเหล็กในสมัยก่อนเราเรียกว่าวัดรั้วเหล็กแต่ปัจจุบันเห็นทีจะต้องเปลี่ยนแล้วอาจารย์ธีรนันเราจะต้องเรียกกันว่าวัดรางวัลยูนิสโก้แล้วมันจะติดปากแล้ว เ, เมื่อก่อนนี่ติดปากว่าวัดรั้วเหล็ก แต่ปัจจุบันต้องเรียกว่าวัดรังวันยูนิสโเปลี่ยนไปอีกแล้วนะฮะวัดปยุรวงเกิดขึ้นในยุคสมัยที่เศรษฐกิจกำลังบูมเพราะว่าในยุคนั้นเป็นยุคของพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงครองราชได้ประมาณห้าปีปรากฏว่าข้าราชการผู้ใหญ่หรือคุณนางผู้สร้างวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ แสดงความจงรักภักดีต่อล่นเก้ารัชกาลที่สามเป็นอย่างยิ่งวัดนี้เกิดขึ้นในยุคที่เศรษฐกิจดีฉะนั้นบรรดาผู้ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบางครั้งจะทำกิจการใหญ่ๆมาตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อพระพุทธนาคพระพุทธรูปซึ่งมีอายุการยาวนานถึงประมาณ800กว่าปีหลายท่าน ที่ประสบความสำเร็จจากการตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์พระประธานในพระวิหารนีและวันนี้พระราชามากริย์เสด็จมาเกือบจะทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่สรัชกาลที่4รัชกาลที่ห า, ารัชกาลที่7รัชกาลที่8และรัชากาลที่9ที่ผ่านไปเสด็จมาเกือบทุกพระองค์เลยทีเดียวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ท่านเจ้าวาดแต่ระท่านแต่ ร, รูปบริหารวัดเี่บริหารวัดเนี่ยตามนโยบายซึ่งคล้ายๆกันความคิดอาจจะต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่เมื่อศึกษาลำมาประมวลแล้วเนี่ยท่านดำเนินรอยตามมาคล้ายๆกันมาถึงยุคปัจจุบันคือพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพรหมพัณิตเจ้าวาดองค์ที่14 ท่านจึงได้ประมวลนโยบายของเจ้าวาดทุกรูปให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนให้ถือว่าเป็นนโยบายของวัดเป็นนโยบายของพระพิสุทธิสมเด็จของวัดนี้จะได้มองเห็นแนวทางของตนได้ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของวัดประยุรวงว่าวัดประยุรวงนั้นมีบทบาทอย่างไรคือท่านเขียนสอดคล้องว่าชัดเจนมาก แต่เดิมอาตมาเองก็ยังไม่ชัดว่า เ, เราทำงานอย่างนี้อย่างนี้เขาจะเรียกกันว่าอะไรดีแล้วท่านก็สรุปลงในหลักธรรมอย่างน้อยห้าประการว่าพระเนนของวัดประยุรวงนั้นมีบทบาททัต่อไปนี้หนึ่งตกปานอกบานสองประสานสิบทิศสผูกมิตรทั่วราสบริหารปัญญา แล้วห้าเทศนาแบบสาริกาป้อนเยี่ยเป็นความชัดเจนมากตกปลานอกบ้านพระเด็จบุญทำเป็นตัวอย่างคาว่าตกปลานอกบ้านไม่ได้หมายถึงถือเบ็ดไปตกปลาไปใช่ไหจะเป็นความหมายคือหมายความว่าออกไปให้ธรรมะกับประชาชนให้ความรู้กับประชาชนเป็นการปลูกฝังศรัทธาสร้างความเรื่อนใสกับประชาชนนอกวัดภายในวัดก็ทา แต่ว่านอกในราชการที่ไหนก็ตามมาอากาบรัศนาประเดศคุณไปสแสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมหรือเทศก็ตามจะไกลแสงกายทักเข้าไปเมื่อเร็วๆนี้ได้ทราบข่าวว่าไปถึงกับแพงเพชรกลับมาเกือบจะหกทุ่มนี่เป็นตัวอย่างว่าคือการตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศใช้การประสานประโยชน์ร่วมกันไม่เอารัดเอาเปรียบใคร ไม่แสดงความเห็นแก่ตัวกับใครแต่แสดงความโอบอ้อมอารีประสานผลประโยชน์ร่วมกันคนยากไร้คนยากจนนะมีฐานะที่ไม่สู้จะดีเมื่อญาติผู้ใหญ่ตายเอาศพมาที่นี่ฟรีทางวัดทําการส่งเคราะห์ไม่ได้เก็บค่าสลาไม่ได้เก็บค่าน้ำค่าไฟค่าบริการทั้งสิ้นให้การส่งเคราะห์ประชาชนผูกมิตรทัวราอย่างที่ท่าน ดรวิศนุวิเห็นเนี่ยที่อาจามาได้พูดแล้วว่าซาสแล้วผู้หลักธรรมแต่ละาศาสนานั้นได้ทําหน้าที่สําคัญ3ประการหนึ่งทำให้คนปกครองตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมจากคิดใจอิสลามจากพุทธเมื่อคนเข้าถึงหลักธรรมแล้วเขาก็ดูแลตัวเขาได้ไม่ปล่อยตัวของเขาให้เพียงพ้าไปสู่สิ่งชัลวร้ายนี่ประการแรกปกครองตัวเองได้ประการที่สอง ทำให้สังคมดีขึ้นเมื่อคนมีธรรมะแต่ละศาสนานะอยู่ร่วมกัน เ, เขาก็สร้างสารรค์สังคมให้ดีขึ้นเหมือนย่างกระดีจิตและประการที่สามทำให้เขานะั้นทำดีมากขึ้นปกครองตัวเองได้ก็ทำให้ตัวเองทาดีมากขึ้นได้แล้วทำให้สังคมดีขึ้นโดยลำดั บ, บอมองเห็นความสาคัญเช่นนี้พระเดชคุณจึงให้มีการ ผูกมิตรทวาบริหารปัญญาจึงมีเป็นเป็นเหตุทําให้มีการสารเศสศวนาทุกครั้งซึ่งถ้าจะมองกันแล้วที่พระยุรวงศ์นี่ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเกิดจากที่พระเด็คุณได้คิดว่ารากเง่าแต่เดิมมาที่นี่เป็นแหล่งการศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้อาคารตรงนี้ที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แต่เดิมน่าจะเป็นอะไรเป็นห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโรงเรียนพระปริยะติธรรมพรินพระประยะิรประยะติธรรมศาลาเนี่เป็นห้องเรียนสำหรับพระพิสูจน์สมเนมอันวัดนี้เป็นจึงเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเหมือนกันเรียนรู้เรื่องภาษาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีเรียนรู้ถึงเรื่องประวัธธติศาสตร์ความเป็นมาหลายหลายอย่างเนี่ยฉะนั้นจึงมีการบริหารปัญญาและประการสุดท้ายวัดนี้ เป็นวัดแห่งเดียวที่เปิดอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนาแบบเต็มรูปแบบและเป็นลีลาเทศนาที่เพละจับใจที่คนสังทีสังคมไทยยอมรับเรียกกันว่าลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อเ <Yeah. S 1> นี่ยกลายอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ขออนมทนา <Yeah. S 1> เบื้องต้นกลับขอพระเดศพระคุณท่านเจ้าคุณศาสตราจารย์ดรพระพมบัณติตที่ท่านได้มีเมตตาจิต มาให้ความรู้ทุกปีนะข อ, อนมโมทนาท่านด็เอร์วิษณุและก็ข อ, อมโมทนาท่านอิหม่ามดาวินและก็ท่านอาจารย์ธีรนันและโดยเฉพาะยิ่งก็ข อ, อนมโมทนาขอบคุณขอบใจคุณโยมถาปณะนะซึ่งได้มีน้ําใจได้มีความเมตตาต่อชุมชนย่างกดีจีนแล้วก็มีความเริ่มใสศรัทธาในพระเด็จพระคุณ ได้ให้การอุปถรัรมภ์ให้มีการจัดงานข่าวครั้งนี้ขอกราบขอบพระเดศพระคุณท่านพระเถรานุเถระท่านเจ้าขุนพระราชา น, นิกวีผู้ช่วยเจ้าวัดวิลาบเก้าท่านเดินทางมาด้วยท่านพระเถรานุเถระทุกรูปขอนโมทนาท่านสาธุชนทุกท่านที่ร่วมใจกันมาฟังการเสวนาในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ200ปีขอญาติโยมมาฉลองกันดิ มาสมโพธ์กันอีกนะไม่นานเกินรออาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ขอนโมทนาและในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณประสีรัตนไตรัยและบุญกุศลจงได้อำนวยอวยพรให้คุณโยมถาพนัศิริวัฒนพักดีและท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอจงประสบด้วยความโชคดีมีชัยประสงค์สิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นๆจงพันสําำเร็จจงพันสําำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเถิด